السلام ع ل ي ุ م ورحمة الله و ب ر ك ا ت ุขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปรานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาแลประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรา่านทุกทุกท่านนะครับการเรียนกุร่านของเรานั้นไม่ใช่เพียงแค่การอ่านให้ถูกต้องอย่างเดียวแต่รวมถึงการเรียนรู้ความหมาย ของอันกุรานด้วยซึ่งถ้าหากว่าใครที่เรียนรู้ความหมายของอันกุรานเนี่ยเราก็จะทราบหรือตระหนักเป็นอย่างดีว่าอัลลอ์นั้นรักเรามากถามว่าทำไมอัลลอ์รักเรามากล่ะเพราะอัลลอ์บอกไว้หมดเลยว่าต้องทำแบบไหนทำตัวอย่างไรผลที่ได้รับจากการทำดีจะได้อะไรใครที่ทำไม่ดีจะโดนลงโทษอย่างไรบอกไว้หมดเหมือนกับพ่อแม่คนหนึ่งที่สั่งสอนลูก มะที่บนเราสอนเราทุกวันแสดงว่ามะเราเป็นไงรักเรามากนี่ก็เหมือนกันอัลลอฮ์บอกให้เรามดทุกอย่างเลยพี่น้องเฉลยข้อสอบยิ่งกว่าครูที่โรงเรียนไหนก็นแล้วแต่เวลาจะเข้าห้องสอบไม่มีใครบอกคําตอบแต่นี่อัลลอฮ์บอกคําตอบไว้หมดเลยต้องทําตัวแบบนี้นะเรื่องนี้ทําได้นะเรื่องนี้ทําไม่ได้นะดังนั้นคนที่เรียนกุอัรอานพร้อมความหมายเราก็จะรู้อัลลอฮ์รักเรามากแต่เงื่อนไขหนึง่ง ของการที่เราจะรู้ความหมายได้ก็คือการเรียนครับอันอันไอ้มูบิดาลุม่มความรู้ต้องมาจากการศึกษาอ่และสิ่งหนึ่งที่เอาล่อให้ติดตัวเรามาก็คือสติปัญญาที่จะมาแยกแยะระหว่างอันไหนเป็นสัจธรรมอันไหนเป็นสิ่งที่บาตินเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เลวนะสิ่งที่เลวร้ายซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสามัญสานึกตรงนี้อยู่แล้ว แต่แค่ว่าบางคนเนี่ยอยากจะเอาหัวใจเอ็เอียงไปสู่ความชั่วก็พยายามแต่งเติมความชั่วให้ดูสวยงามเหมือนปัจจุบันนี้พยายามบอกยาเสพติดบ่อนเสรีอะไรเพศจีสามันประมาณนี้แต่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าสิ่งที่อัลลอ์กำหนดมาหรือสัจธรรมเนี่ยมันคืออะไรนะอ่ะที่ผมเกินแบบนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับเพราะว่าเรากาลังเรียนรู้ในหลักการศาสนา อีกข้อหนึ่งเรื่องของสตรีนะอย่างที่บอกนะครับว่าสุระนิซาเป็นสุระที่เล่าหรือกล่าวถึงฮุกกลมที่มีการปฏิบัติกับสตรีมากที่สุดนะรองลองมาก็สุสรตลกักษอ่านี่เรื่องของผู้หญิงเยอะเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นก่อนในสุร์อัลฟาติฮะนะครับซึ่งเป็นอุมมูกิตบับนะเป็นแม่บทของกุรานนะ อาบูดุลลาห์มินอัลชาฏานุราจิมบิสมิลลาฮิลลอฮ์มานราฮิ الحمد لله رب العالمين อัลลอฮ์มานีอัลราฮีมมัลกียามิดดอีน عبد و วอ ا ك ن س ت น ي ต อิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตักิมซิรอตัลท้มต عليهم ไม่ได้มาดู عليهم ولا الضّ ال อัลลอฮฺอามีนอูบุบิลลาฮฺมินชชัยนิรรม والمحصنات من النساء إلا ما ملاك أيمنكم إلا ขีตับัลลอฮีอาไลคุมว่าอุฮิลล่าลาคุมมาวราอะดาลิคุม ب ِ أ َ م ْ و ا ل ِ ك ُ م ْ م ُ ح ِْ ن ِ ي ن َ غَيْرَ مُسَافِحِينَ มัมัตต์ตัตุมบิฮีมินหุนนาฟาตูหุนนาอูจูรหุนนาฟารีดะตัมตั๋วตุมบิฮีมินหุน ทูหุนน้าอุจร هُن นน้าฟาริ ولجناها عليكم ََ فيما ِ تراضيتم به ِ من بعد الفريضة َ อินนัลลอฮะกาณาอิหมันฮะคีมะอินนัลลอฮะกาณาอิหมานอ่ามาดูความหมายนะครับวัลมอซอนาอตอันนี้ผู้หญิงเลยมอซินเนี่ยพี่น้องครับอ่า้าหากแปลตาม ความหมายที่ลึกซึ้งเนี่ยเขาแปลว่า ป, ป้อมปราการให้สุนุมุสลิมแปลว่าป้อมปราการหมายความว่าไงหมายถึงว่าสตรีที่ดีสตรีที่มีศาสนาเนี่ยเปรียบเสมือนป้อมปราการให้กับคนที่เป็นสามีเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าหากไม่มีผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคนข้างกายเราเนี่ยโอกาสที่เราจะไปหาความสุขกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ มุสลิมหรือผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยามีแน่นอนนะดังนั้นผู้หญิงที่ดีที่ให้ความต่ออาตต่อสามีให้ความรักกับสามีทำให้หัวใจของสามีเนี่ยอยู่ที่นางเนี่ยเท่ากับเป็นเหมือนป้องประการที่ปกป้องความชั่วให้กับคนที่เป็นสามีนี่รายละเอียดแบบนี้เลยนะส่วนมุสซอนนะตรงนี้ที่เขาแปลเนี่ยก็หมายถึงว่าบรรดาผู้หญิงที่มีสามีแล้วก็คือแต่งงานแล้ว นะมีสามีมีผู้ปกครองเนี่ยอลัลลอฮบอกว่าและบรรดาหญิงที่อยู่ในการปกครองของสามีมุสลิมนะมีนั่นนิซะเป็นผู้หญิงอิลลานอกจากมือขวาของพวกเจ้าครอบครองนะอิลลามาลกัสไอมานุกุมตรงนี้ก็หมายถึงท่าที่เป็นผู้หญิงเราสามารถ ที่จะหาความสุขกับภรรยาได้แล้วก็คนที่เป็นทาสได้ต่อไปเจ้าของทาสอ่ะนะได้และในสานะของคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไปยุ่งกับคนที่เขามีสามีแล้วจะสวยขนาดไหนแต่ถ้าเขายังมีสามีอยู่การเข้าไปข้องเกี่ยวในเชิงชู้สาวยังไงก็บาปบาปเลยห้ามไปยุ่งเกี่ยวในกรณีของคนที่มีคู่ครองเว้นแต่นางนั้น เลิกกับสามีแล้วหมดอิดดาแล้วขนาดยังไม่หมดอิดดาเนี่ยยังน่าเกลียดเลยที่จะไปตะล่อมแต่พูดเป็นในได้แต่ไม่ให้พูดตรงๆบอกว่าหมดอิดดาเมื่อไรฉันมาขอแน่นี่ห้ามพูดแต่ให้บอกว่าขอดูอาเยอะๆนะเดี๋ยวเราะจะให้คนดีนั่นแหละก็คือเราเนี่แหละเราเหนียเป็นนั้นแหละขอดูอาเยอะๆ ย, ยังไงเดี๋ยวเราก็ให้คนดีนะเหมือนที่นบีได้ไปเยี่ยมท่านหญิงอุมุลสลามาคราวนี้ อัลลอฮ์บอกเป็นที่ต้องห้ามที่ผู้ชายคนหนึ่งจะไปยุ่งกับสตรีที่เขามีสามีแล้วแล้วก็เว้นแต่นะท่าทานนี่ยังไงเดี๋ยวทานเดี๋ยวจะมาอีกอายะหนึ่งไปยุ่งกับทานทํทำยังไงที่ทานที่เขามีเจ้านายนะครับกีตาบัลลอฮีอะเลยกุ้มเป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์ที่มีมาแก่พวกเจ้าอัลลอฮ์กำหนดนะไม่งั้นมันจะมั่วไปหมดคบชู้กันอะไรกันยิงกันตายไปหมด ถ้าเขามีมีสามีคือจบบางคนบอกว่าอาจารย์เขามีก็จริงแต่เขาอยู่แยกกันอยู่เขาร้านกันเราก็เลยเทียวไปรับไปส่งกลัวเกิดฟิตะนะแก่นใหหนหลายตัวสร้างฟิตะนะไปรับไปรับอะไรไปรับภรรยาชาวบ้านเขาเออน ะ, ว, ะอว่ลาอุหิตและละกุ้มมาวาราดาลีกุม้มและได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้านอกเหนือจากนั้น พูดง่ายๆว่าผู้หญิงคนไหนก็นแล้วแต่ที่ไม่ใช่มารอมและก็ไม่จะมีสามีอนุญาตเท่านั้นแหละที่เราจะไปเลยไปนิก้าด้วยไปแต่งงานด้วยอในการที่พระเจ้าจะสแสวงหามาด้วยทรัพย์ของพวกเจ้าอันตบะตะกูบีอัมวาลิกุมคำว่าสแสวงหามาด้วยทรัพย์หมายถึงไปเลยไปสู่ขอแล้วก็มอบอะไรให้มอบมาัดให้ มัวซีนีนคนที่ขาเราไปมอบมาฮัดให้เนี่ยเขาเป็นอะไรเป็นภรรยาไปทำการนิกาดเป็นภรรยากอยระมุซาฟิฮีตไม่ใช่พวกค้าประเวณีบางคนบอกอาจารย์เนี่ยและฉันก็เอาจ่ายตังเหมือนกันสองพันแล้วจบอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ซินาแล้วก็เรียกว่าค้าประเวณีซื้อขายตัวซึ่งคารอม อิสลามห้ามเอาตัวเองขายในการแลกกับทำทำซีนานะอันนี้เป็นเป็นเงินฮารอมนะครับนะผู้หญิงสามารถทํางานได้แต่ถ้าเอาร่างกายแลกเอาเงินนี่เรียกฮารอมเรียกว่าค้าปเวณีแต่ถามว่าเราม่อมหาัดนีเ่เรียกว่าเป็นการไปซื้อปเวนีป่ะไม่ใช่นะคนละเรื่องกันเลยนะมันคือบทบัญญัติในการยกสถานะให้เขาเป็นภรรยาเพราะเมื่อ ม, อม่อมมาัดแล้วมันจะกลายเป็นการที่คนคนนั้นจะต้องดูแลรับผิดชอบกันตลอดไป จนกว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันหรือต่อรากเลิกกันไปแตนะ่แต่ว่าไอ้กรณีของค้าประเวณีเนี่ยคือจ่ายแล้วจบนะแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีข้อสัญญาผูกมัดอะไรให้ตังไปไอ้นี่ก็สแสแวงหาความสุขแล้วก็จบกันไปไอ้นี้เป็นการดูถูกผู้หญิงไม่ให้เกียรติกับผู้หญิงเลยนะแต่อิสลามมายกสถานะผู้หญิงก็คือมีการมอบมฮัตแต่ไม่ได้มาฮัตเหมือนกับกรณีของคนที่เขาไปซื้อประเวณีนี่เอาล้อบอกหมด ฟามัสตัมตาตุมบีฮีดังนั้นหญิงใดที่พระเจ้าเสพสุขกับนางจากบรรดาหญิงเหล่านั้น <c oughs> ฟอาตูหุนนาอูจูรอหุนนาะก็จงให้แก่นางซึ่งค่าตอบแทนค่าตอบแทนตรงนี้ <c oughs> คือมหัศและก็การให้ในเรื่องของนาฟฟก้าขาเลี้ยงดูมีค่าตอบแทนมีการดูแลรับผิดชอบนะ ซึ่งอัลลอฮ์บอกไว้แล้วไม่เหมือนกับกรณีของการค้าประเวณีนะนี่คือการเป็นสามีภรรยากันฟาริดะหรซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้เป็นฟารดูต้องจ่ายนะค่าเลี้ยงดูให้กับคนที่เป็นภรรยาว่าแล้วจูน่าฮ่าเลยกุ้มฟีมาตรอดอยตุมบีฮีมิบะดิฟาริดเหรอ แล้วเราบอกว่าไ ม, ม่มีบาปใดๆนะการที่โบเจ้าต่างยินยอมซึ่งกันและกันหลังจากที่ได้กำหนดมาแล้วแปลว่าวันที่เราให้มหัตจับภรรยาเราไปแล้ววันหนึ่งที่สามีเดือดร้อนภรรยาก็เห็นใจก็เลยคืนบางส่วนที่เป็นของนางให้หรือจะให้กับสามีาทั้งหมดเลยก็ไม่ถือว่าเป็นบาปแต่อย่างใดแต่อยา่าใชการบีบบังคับขู่เข็น ซ้อมเอากับนางหรือใช้การหลอกลวงอย่างที่ฉันบอกไปแล้วครางนี้แล้วไอ้นั้นหลอกแสบเลยบอกตัวเองจะเป็นนู่นเป็นนี่ของเงินมาพอได้เงินมาปั๊บไปแต่งงานอีกคนหนึ่งนะ อ, อินนัลลอฮะกานาอิม ah ันฮากีมาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้และเป็นผู้ทรงปรีชาญาณคราว น, นี้มาดูรายละเอียดสะนิดหนึ่งอลัลลอ์บอกว่าหญิงที่อยู่ในการปกครองของสามี ห้ามให้พระเจ้าแต่งงานกับนางยกเว้นกรณีที่นางตกเป็นทาสคือตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับเว <c oughs> ลาที่อิสลามไปพิชิตอันนี้ปมนเรื่องปกตินะเวลาไปรบกันเนี่ยก็จะมีเฉลยศึกผู้ชายเนี่ยก็จับมาก็แล้วแต่บางทีก็อาจจะมีการประหารชีวิตเฉลยไปเลยคาเลยหรืออาจจะถ่ายตัวและผู้หญิงที่จับมาจะทำอะไร่ย ก็เป็นทาสอ่าเป็นทาสคราวนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไปจับผู้หญิงมาแล้วก็เป็นทาสนะเมื่อเป็นทาสเนี่ยปรากฏว่าตอนก่อนหนั้นเขาไม่ได้เป็นทาสถูกไหมเขาก็มีสามีเขาอยู่แล้วคราวนี้เราเป็นนายทาสแล้วเราจะไปหลับนอนกับผู้หญิงที่จับมาเป็นทาสได้ไหมแต่ไม่ใช่อยู่บางกีมันก็มีคนถามฉันว่า อาจารย์แล้วก็ฉันเดินเดินไปไปจับคนมาเป็นทาสไม่ใช่นะมันต้องเกิดจากการสู้รบกันมีข้อตกลงอะไรกันเหมือนกรณีของบันีกุรอยซอเนี่ยที่ะหารทั้งเผาเลยนะผู้ชายะหารหมดผู้หญิงก็จับมาเป็นทาสผู้หญิงยิวทั้งหมดเลยเป็นทาสหมดเลยเอ็นตัวอย่างคือมันมีต้องมีข้อค้ อ, อ, อการเกิดสงครามกันก่อนไม่ใช่ว่าตะเวนออกไปทะเลใส่เอ้ยเจอผู้หญิงจับาเป็นทาสไม่ใช่อ่านี้ปรากฏว่านางเนี่ยมีสามีอยู่ แต่ตอนนี้ต่างปไปเลยละเป็นทาสแล้วบรรดาเหล่าซอบาก็ไม่กล้าที่จะหาความสุขหรือมีเพศสัมพันธ์กับนานก็เลยมาถามนาบีอลัลลอฮ์ก็เลยลงอายะคุรานี้ว่าสา ม, มารถที่จะหลับนอนกับทาสได้แต่ต้องให้ทาสเนี่ยหมดอิดดาก่อนงงไหมพเพราะทาสก็มีสามีเขาอยู่นี่เออถ้าไปหนับนอนเลยเดี๋ยวไม่รู้ลูกใคร ให้นางหมดอิดดาก่อนถ้าคลอดถ้าท้องก็ให้คลอดก่อนหลังจากนั้นถึงสามารถไปหลับนอนกับทาสผู้หญิงคนนี้ได้อันนี้คือเป็นเรื่องสมัยก่อนซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเรื่องทาสเรื่องอะไรมันก็ไม่มีแล้วแต่ถ้าเกิดมันมีก็ต้องปฏิบัติแบบนี้อ่าอะไรนะทาสไม่ต้องนิกายครับทาสเนี่ยขอคําจํากัดความของทาสเหมือนทรัพย์สินเลยเป็นทรัพย์สินนะอ่าทาสเนี่ยเหมือนทรัพย์สินไม่ต้องละหมาดบรรษุทาสไม่ต้องละหมาดบรรษุ ละหมาดที่บ้านเลยเพราะเพราะไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปข้างนอกทุกอย่างเหมือนเป็นทรัพย์สินอย่างหนึง่งต้องให้ค่าตอบแทนไหมไ ม, ไม่ต้องด้วยน่ทุกวันนี้ไม่มีทานแะล้วเพราะว่าเราทํางานกันมีค่าตอบแทนกันหมดมีเงินเดือนแต่ท่านเมื่อก่อนทํางานไม่มีเงินเดือนนะเออแต่อิสลามพยายามทําให้ระบบทานเนี่ยมันหมดไปโดยการให้การปล่อยทานเป็นความดีปล่อยท่านป่อเยอะปล่อยทานมีตังตับีสอนปล่อยทาน ยิ่งเป็นผู้ศรัทธายิ่งต้องปล่อยเลยเยดบินฮาริซาก็เป็นทาสมาก่อนซื้อมาที่ตลาดซื้อคนเหมือนซื้อเหมือนซื้อผักซื้อปลาเลยนะโอ้วันนี้โอ้ทาสผู้หญิงสวยซื้อกลับบ้านอ่าผู้ชายคนนี้ดูหนุ่ยนการดีซื้อกลับมาเด็กคนนี้ดูน่ารักดีซื้อมาเจดเนี่ซื้อมันตอนเป็นเด็กเลยพอโตมานาบีก็ปล่อยอ่าถ้าหญิงขอดียาปล่อยแล้วกันบีก็รับเป็นลูกบุญธรรมอ่ามันเป็นมันเป็นระบบแบบนี้แต่อิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้จับคุณมาเป็นทาสโดยไม่ส่งเสริมเลย เนะีเพราะว่าเดิมอซอนเดิมของคนเราไม่เพี้ยาตก็ไปอิสระชนก็คือมาจากนาบีอาดัมนั้นอิสลามห้ามคนคนหนึ่งที่อยู่ดีๆแล้วไปจับใครมาเป็นทาสแล้วก็ตั้งมัว ก, กันเป็นเองเฮ้ยอยู่ดีฉันไม่ปลูกมาจับมาเป็นทาสเอามาเสพสมมาสมอะไรเงี้ยไม่ได้มีเพศสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นกฎเป็นเกณฑ์แบบนี้นะ <c oughs> พอระยะกุฎานี้ลงมาบรรดาซอบ้าก็รอให้ผู้นางที่มีสามีก่อนเนี่ย หมดอิดาก่อนเพราะหมดอิดาก็ถึงจะสามารถหลับนอนได้นะอันนี้เป็นเรื่องในสมัยก่อนนะครับครนี้อัลลอฮ์บอกว่าบัญญัติของอลกีตาบัาลลอฮิยอะไรกุ้มอย่าได้ละเมิดเป็นอันขาดบัญญัติของอัลลอฮ์นั้นเป็นข้อห้ามที่พวกเจ้านั้นอย่าได้ละเมิดพวกเจ้าต้งปฏิบัติตามคัำพีอย่างเคร่งครัดและจงอย่าได้ละเมิดสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นได้กําหนดเอาไว้นั้นซอบ้าของท่านนาบีเนี่ย จะไม่ทำอะไรเกินเลยกว่าศาสนาจนกว่าจะมีคำสั่งลงมาถึงจะทำนะนอกนอนจากที่กล่าวมาแล้วก็เปน็นที่อนุญาตที่พระเจ้าจะแต่งงานด้วยคือหญิงที่ไม่ได้มีสามีนะครับคราวนี้ก็บอกต่อว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าอันตะบตะกูบีอัมวาลิกุมวสีนีนะไกรรุมุซาฟีฮีนอัลลอฮ์บอกว่า ในการที่พระเจ้าจะแสวงหาด้วยทรัพย์สินของพระเจ้าในฐานะผู้ที่แต่งงานไม่ใช่ผู้ที่ <c oughs> ล่วงประเวณีก็คือการที่พทะเจ้าแสวงหานางมาเป็นภรรยาซึ่งศาสนากําหนดมากสุดก็คือได้แค่สี่คนเท่านั้นด้วยการจ่ายมาฮัตสินสอดให้กับนางด้วยเหตุ น, นี้อเลอร์จึงบอกว่าฐานะของนางไม่ใช่บุคคลที่ค้าประเวณีแต่เป็นฐานะของผู้ที่แต่งงานเป็นภรรยานะ คันนี้ก็จะมีอายะกุร์ที่พูดถึงเรื่องของสินสอดมหัตเยอะมากเช่นว ะ, วะอาตุนวะอาตุนนิซาซอดูโกจีหินนีนแหละฮะนีอ่านไปแล้วในโซลนิโซลนิซ า, าตอนต้นนะครับจงให้แก่บรรดาหญิงคือมหัตที่นางเต็มใจคําว่านางเต็มใจนี่หมายถึงว่าไม่ใช่เราเต็มใจนะหมายถึงผู้หญิงต้องพอใจในจํานวนที่เราให้นะครับ บางคนบอกอาจารย์ฉันเต็มใจแต่นางยังไม่เต็มใจก็ยังไม่ได้ต้องให้นายเต็มใจพอใจจนจนกว่านายจะพอใจนั้นก็ขึ้นอยู่กับนางว่าเขารักเรามากไหมถ้าเขารักเรามากเมเขาก็จะดูว่าเออเอาแค่นี้ก็พอแล้วอ่าเขาเลยหวังน้ําบ่อนนะอะไรยกหวังระยะยาวเพราะยังไงหนักฟ ก, ก็ต้องดูแลอยู่แล้วแต่บางคนนี่ถ้าเอากําแพงมาฮัดเป็นตั้งเลยก็แสดงว่าไม่รู้เขารักเราด้วยรับที่ทรัพย์ของเรา <laughs> เออที่ต้องระวังนิดนึงนะ ตั้งกำแพงสูงอะไรทุกสายไม่ได้รักตัวเราแล้วะรักที่ซับเราหรือเปล่านะอันนี้ตัวอย่างน ะ, ะนั้นนบีบอกว่ามาฮัตที่ดีคือมาฮัตที่สะดวกและง่ายได้อธิบายให้ทราบถึงความสุขชั่วคราวกับสตรีที่เป็นต้องห้ามพี่น้องครับมีอยู่กลุ่มหนึ่งนิกายหนึ่งซึ่งเป็นนิกายที่ไม่ได้อยู่ในสุนนะของเราเรียกว่าชีอะพูดกันตรงๆชีอะเนี่ย ทุกวันนี้ยังมีการแต่งงานประเภทหนึ่งเขาเรียก ว, ว่า น, นิกะมุตตามุตตาก็มาจากคาว่าเพื่อเพลินอ่าฟอมัสตมัมแต่ไหนเมื่อกี้อะไรนะอ่านเมื่อกี้ลืมละฟอมัสตัมตาตุ่มมุตตาแปลว่าเพื่อเพลินอ่าเขาว่าเพื่อเพลินเพราะอะไรเพราะมันเป็นการหาความเพื่อเพลินแบบชั่วคราวาเปลี่ยนไปเรื่อยๆ คือการมอบมหฮัตและกำหนดวันหยาไปในตัวเลยชินข้าพเจ้านี่คะเธอสามชั่วโมงหลังจะครบสามชั่วโมงแล้วก็กลายเป็นคนอื่นไปอันนี้ต่างอะไรกับพวกค้าประเวณี้ไ ม, ไม่ไม่ต่างกันเลยซึ่งเดิมเนะี่ยอิสลามเคยอนุญาตฟังแบบนี้โอ้ยตกใจเคยอนุญาตช่วงนินิดเดียวเอง หลังจากนั้นก็ยกเลิกเลยเพราะตอนนั้นมีซอบ้านนาบีที่จากภรรยามาออกรบคนต้องเข้าใจนะคนเราอะ่ะอยู่ในในกองทัพอะ่ะแล้วก็ไม่เจอผู้หญิงเลยแล้ววันหนึ่งไปพิชิตเมืองแล้วก็อยากจะมีทรัพย์ติดตัวมันก็จะไปแต่งงานแต่แต่นอนแต่งก็คงไม่ได้อยู่นานเราเพราะาอะไรเพราเดี๋ยวก็ต้องยกทัพกลับแล้วอะไรแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยถูกอนุญาตช่วงหนึ่ง หลังจากนั้นอลัลลอฮ์ก็ส่งมาห้ามในสงครามเดี๋ยวผมดูก่อนนะอส่งมาห้ามในสงครามคอยบัตอ่ากําลังจะทํานอะไรแต่ยังไม่ได้ทําเราเอาลัลลอฮ์ยกเลิกไปก่อนแล้วก็ห้ามอีกเรื่องหนึ่งก็คือลาบ้านเดิมก็เชือดลากินกันได้ต้มกันอร่อยเลยพอวันที่นบีบอกว่าห้ามกินลาบ้านแล้วนะความมอเลย <laughs> เขาไปเปิดหมอดูอดเนื้อละทิ้งเลยแต่ บ, บีห้ามและก็ห้ามเรื่องของนิกายมุตะและการห้ามนิกายมุตะเนี่ยอยู่ในหะดีสันบันทึกโดยหม่ามุสลิมฮะดิสซาเฮียดังนั้นพวกชีอะจะมาอ้างบอกว่าเอ้ยมันมีมีอยู่ในกุฎานมีแต่อลัลลอยกเลิกแล้วนะทําไม่ได้และเป็นซีนาและอีฮะดีสนึงบันทึกโดยหม่ามุสลิมถามว่าแล้วแล้วชีอะเขาไม่เขาไม่เอาหะดีสมุสลิมเหรอเขาไม่เอาครับ ทำไมเขาไม่เอาล่ะเพราะเขาบอกว่าซอบ้าของท่านนาบีหลังจากนาบีวะฝาดแล้วมุรตัดหมดเลยมีอยู่แค่ไม่กี่คนและเอาเฉพาะอาลุนเบนั้นฮะดิษเขาต้องเอามาจากยาฟัดบินซอดีษยาฟัดบินซอดีษอย่างเดียวมุสลิมบุคอรีไม่เอา <c oughs> นี่คือสาเหตุว่าทําไมเราจะยกฮะดิษมุสลิมไปร้อยต้นเขาจะฟังมไหมไม่ฟังหรอกอ่านี่ตัวอย่างนะ้ยยะอายุฮัละดีอัลลอฮ์บอกว่า อันอาซามารอซูลินแล้วฟาตุนมะกะความจริงเขาได้ออกไปในสงครามกับท่านรอซูลใครชื่อว่าอัร์รเบียอิบนุซับรอมาบัดอัยจูไฮนีบอกว่าฉันเนี่ยออกไปวันที่พิชิตมะกกพิชิตมะกาและท่านก็กล่าวว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายยาอายูฮ uh um ันนาสอินนีกุนแต่อาินตุและกุมฉันเนี่ยเคยอนุญาตให้พวกท่านเนี่ย ติมตามีนันนิซสามารถที่จะหาความสุขชั่วคราวกับสตีก็คือแต่งงานแบบชั่วช <en anger> <eni> ั่วคราวอะแต่งงานจะเป็นระยะเวลาใช่ได้อินลอฮก็ดฮรมะแลิกะอิลยเยมันเกียมะและบัดนี้อัลลอฮได้ห้ามเรื่องนี้จนกระทั่งถึงวันเกียมะห้ามแล้วทำไม่ได้แล้วฝะมันกกนินดะฮูมินหุนชยอุน และแท้จริงอลสได้ทรงหางกรรมธรรมกันนี้ไปถึงวันยดังนั้นผูดด้ใดที่มีอะไรกับนางก็จงปล่อยไปแปลว่าถ้ามีไปแล้วเคยทำไปแล้วก็ถือว่าปล่อยไปเลยทําทต่อไปไม่ได้แล้วต้องยกเลิกซะไม่มีแล้วแต่ที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เป็นบาปอะไรเพราะว่ายังไม่ได้ถูกยกเลิกแต่ตอนนี้อย่าทำใหม่หรือถ้ามีอยู่ก็คือให้เลิกซะปล่อยไปเลยจะสมมติเคยสมมติ วันเนี้ยฉันมีสัญญาอยู่กับ น, นางแต่งไปก่อนหน้านั้นใช่ไหมทักสมเดือนวันที่อายะกูดานนี้ลงวันที่นบีพูดปุ๊บก็คือต้องให้นางกลับไปเวสระหรือไม่งั้นก็นิการใหม่แล้วบอกว่าแต่งกันตลอดไปนะแล้วก็เล่าบอกต่อว่าและก็จงอย่าได้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากนางกลับคืนด้วยแปลว่าไอ้ที่ให้ตังไปเนี่ยเอาคืนกลับไม่ได้แล้วก็ต้องให้นางไปเลยนะอันนี้คือ เรื่องของการแต่งงานแบบมุตตะซึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคนที่เป็นนักศึกษาบางทีปัญญาชนจริงแต่ไม่รู้เท่าทันเล่กลเพทุบายพวกนี้แล้วก็เอามาพูดในหมู่นักศึกษาแล้วก็บอกว่ามันก็ดีกว่าไปซีนานะแต่นี่นิก้านะแต่แค่นิก้าแค่ช่วงค่าวเองมันก็ดีกว่าซีนานะ่ะตกลงมันไม่ได้ดีกว่าแล้วมันก็ชั่วปรๆกันแหละขอโทษทีพูดตรงๆมันชั่วปรๆกันแหละ แต่แค่เอาศาสนามาหากินแล้วพวกนี้จะอย่างอย่างจีนาเนี่ยไปซื้อค้าประเวนนี่คือจ่ายกันโดยตัวใช่ไหมแต่นี่คุณต้องไปจ่ายให้กับไอคนทำพิธีด้วยเมพันสรบันอยู่ข้างล่างโรงแรมแถวที่หนึ่งคอยทำทำหน้าที่ให้กระจ่ายตังปั๊บอ่ะขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเหมือนพวกเก็บตรงอ่ะเพื่อนท้องผมไม่รู้นะเพราะไม่เคยไม่ได้ลึกๆรงนี้ ท้องก็น่าจะเป็นของผู้หญิงไปแหละผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเพราะว่าอัลลอยกเลิกไปแล้วไงนี่อะไรก็เลยถามต่อแล้วท้องเนี่มันยังไงแต่ว่าถ้าถ้าปกตินะถ้ามันมีคําวันิการแล้วมันท้องเนี่ยก็ต้องผู้ชายก็ต้องดูแลแหละแต่ว่าถ้าถ้าในหลักการของพวกเขาอ่ะเขาไม่สนใจเลยเพราะว่าเพราะว่าทีม ที่ที่นี่พูดพ่ออะไรรู้ไหมเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเพราะเขามาไดนมุตากันแค่แค่คนเดียวนี่คืนเนี่อาจจะมุตากไปประมาณสามคนไปแล้ว <c oughs> และจะรู้ไหมใครเป็นพ่อมันไม่เหมือนกับนิกาของเราซึ่งนิกาของเรามันมีอิดดานี่เขาต้องไปเว้นอีกสามประจำเดือนเนี่ยก็ถามว่าจะมาทําม า, มาหากินยังไงล่ะอ่าพอขึ้นไปสามชั่วโมงไอ้ น, นี่ต่อมาอีกสามชั่วโมงขึ้นไปเงี้ยเออมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อหรอก และเกิดในประเทศหนึ่งนะไม่ต้องเอ่ยชื่อนะที่เขาเป็นนิกายเนี่ยเขาบอกปัญหานี้เยอะมากคือไม่รู้เป็นลูกเป็นใครมัง้งมั่วกันไปหมดวา ย, ยาซูบินแล้วนะนี่คือรู้เท่าทันนะครับสิ่งที่อะไรสิ่งที่มันมีเหมือนกันแต่มันไม่ใช่หลักการศาสนาอิสลามมีคนมาถามอมุตตะเคยมีไหมเคยมีแต่เอารอบไปไงยกเลิกไปแล้วและยกเลิกแบบไหนยกเลิกยันวันเกียร์มาเลยแล้วเราอบอกว่าใครที่ทํามุตตะก็คือคนที่ทําซีนานั่นเอง ยาจาคุณมุดรอคอยรอนวันนี้อัลฮหามดูลิลแล้วนะดีใจแทนเจ้าภาพวันนี้คนมาเยอะดีหุงข้าวพอไม่เจ้าวันนี้เออสรุปนะนิกายมุตอาระอิสลามห้ามนะครับดีมั้ยดีไหมใครไปใครมายมุตาร์กับลูกสาวเราไม่ดีนะเป็นเป็นอายุเรากับถ้ามีลูกซองก็มียิงอะนะ เออช้นโหดเดี๋ยวชันรักลูกสาวไม่ได้หรอกหนห่วงถ้าจะจะดูแลลูกสาวเราต้องดูแลกันไปตลอดไม่ใช่มาดูแลชั่วคราวนะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าจะต้องพิจารณาหาคนที่ดีที่จะมาเป็นดูแลลูกสาวเราทั้งมูสซอนนเนี่ยพี่น้องผมบอกแล้วไงมูสซอนนัทผู้หญิงในเปรบเสมือนป้องประกรันความไม่ดีต่างๆให้กับผู้ที่เป็นสามีตรงกันข้ามเลยถ้าเป็นผู้หญิงที่ไม่มูสซอนนะเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีก็จะนําบาปมาสู่สามีเต็มเตม นะอ่ะเราอ่านกันต่อนะครับในอายะที่ยี่สิหอ่านคำดินละนะเราจะได้อ่เรียนรู้กันต่อนะครับว่ามลเมศเตื้องมีคุมภูลนไอเลกิฮลมุฮซนาติลมุมีนัด َ ك َมْมามา م َก ن ُมาหน م ِ ن ก ف ุ ت ม ي َ ا ยِ ك ُตา ا ل ْ م ุ ؤ ล م ِ ن ม ا นา Allahu a'lamu bi imanikum. ب َ ط ُ ق ُ م ِ م ن بَعْ. ฟังกิพุนนบีอิดีอัลฮ์ลีห์น้าวะอาตุห و น้าอูจูร่าห์นُาบิล์มารุฟนบีอิดีอัลฮ์ ลิหินน่ะว่าอุหุนน่ะอุจราหุนนับบิลมากรุฟมุฮซันน่ะทินไกรมุสะฟิฮัติุวาลาตัชิดะติอัคด ولا ล ت خ ذ ต ت ขิด ا ตีอัครด فإذا อุหส ف นนาฟิอตาอีบห فَعَلَيْهِنَّ نِسْفُ مَا ل َ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذلك ش ِมน ا ل ข ع อเชีَ مِنْكُمْ มَ أ َมว่าอัลตัศบิรุขัยรุลลُ م ม و ا ل ل ร غفور رحيم อ่านคำดูดิล่ะนะครับปกติแล้วเนี่ยให้เราแต่งงานกับหญิงที่เป็นอิสระอยู่แล้วไม่ให้เราไปแต่งกับทา่าหรอกเพราะอะไรล่ะเพราะปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับทาาในฐานะที่เราเป็นคนอิสระเนี่ยมันก็เหมือนกับ ขาเด็กค น, ม, นมันคนระดับขาเด็กมันจะใช้คาระดับได้ไหมคือคนล ะ, ละจะดับแหละเพราะว่าาก็คืออีกอีกสถานะหนึ่งคนละสถานะกันเนะนี่ยนึกออกไหมโดยโดย โ, โดยส่วนใหญ่ทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเมื่อมีความรักใคร่กันจริงๆเนี่ยเขาจะทําการปล่อยเหมือนเจดที่อยู่ในบ้านในฐานะที่เป็นทา่าพอรักกันจริงๆพอรักกันเกิดความผูกพันก็ปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็ยกเป็นลูกบุญธรรม ผู้หญิงก็หลายๆคนที่มาดูแลอยู่ในบ้านเบนทาตแล้วปรากฏเกิดเป็นความรักเขาก็จะยกให้เป็นเป็นไทยและก็แต่งงานดูแลในฐานะที่เป็นภรรยาแต่คนนี้เนี่ยมันจะมีคนอยู่บางกลุ่มที่ไม่มีความสามารถหนึ่งยับยั้งตัวเองไม่ได้อันที่สองก็ไม่มีไ ม, มไม่มีความสามารถที่จะไปหาหญิงวชซันก็คือหญิงที่หญิงที่เป็นอิสระและเป็นคนดี <c oughs> มาเป็นคู่ครองอลัลลอฮ์จึงบอกว่าและผูะ้ใ ด, ดในหมู่พวกเจ้าฟามัลลามยัสตเตีที่ไม่มีความสามารถจะแต่งงานกับบรรดาหญิงอิสระไอยันกีฮ่มุฮซอนาตมุมินาตไม่มีความสามารถที่จะแต่งงานกับหญิงที่เป็นอิสระและนางก็มีศรัทธาได้ฟามิมมาม马拉กัตไอมาโนกุม ก็จงไปแต่งงานกับเด็กเด็กสาวหรือว่าหญิงสาวนะของพวกเจ้าที่เป็นศรัทธาที่นางได้ศรัทธาที่อยู่ในมือขวาของพวกเจ้าครอบครองอยู่ฟังแบบนี้ก็งงเลยอาจารย์และไหนบอกไม่ต้องแต่งงานไงกัเมื่อกี้นี่บอกใช่ไหถทาดไม่ต้องแต่งงานแล้วทำไมม่อแต่งงานอันนี้กรณีทาดคนอื่นถ้าเจ้านายเขาเนี่ยไม่ต้องแต่ง แต่เราเนี่ยปรากฏว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนเราสมมุติและเพื่อนเรามีทาตและทาตของเพื่อนเราเนี่ยแหมสวยน่ารักดีอก็เลยอยากที่จะเอาแหมเอานำผู้หญิงคนเนี้ยที่เขามีเจ้านายเนี่ยมาอยู่ด้วยก็มีสองวิธีหนึ่งก็ซื้อซื้อธาตแพงเดีย แพงไม่มีตังกันคือถ้ามีตังซื้อท่าน่ามีตังแต่งงานอยู่แล้วพราท่าก็ไม่ยช่ถูกๆนะราคาสูงสมัยก่อนเนี่ย อ, อย่างใครอะโ ด, โดนอุดไปร้อยตัวหรือเปล่าไม่รู้ลล้านเน่ะโดนไปเยอะเลยกว่าจะปล่อยได้นะคราวนี้เราไปชอบอเราไม่ได้เป็นเจ้านายอนุ ญ, ญาตให้ไปขอแต่งงานได้ แต่ต้องไปขอกับเจ้านายนะเออไม่ใช่ไปเอาไปขอเองกับ น, นางนะนะนี่ไงเฟอร์มินมามาลากัรไอมาโนกุมมินฟอตยาติกุมุลมุมีนาดวะลอห์และมุบีอีมานีกุมซึ่งอัลลอฮ์เนี่ยรู้รู้อะไรรู้ดียิ่งต่อการศรัทธาของพวกเจ้าแปลว่าคนที่จะทําแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องไม่ซิกแซกก่อนละนะไม่มีเลขเหลี่ยมก่อนละ อาล้อรู้ใน إ ي م านของเขาเหตุที่เขาต้องไปแต่งงานกับทานเนี่ยเพราะไม่ใช่ว่าอยากจะแต่งโดยตรงแต่มันไม่มีความสามารถจริงๆและตัวเองก็ไม่สามารถจะยับยั้งช้าวัดอารมณ์ได้อนุญาตให้นําทานมาเป็นมาเป็นภรรยาไดนา้นนี้ตัวอย่างนะแต่พี่น้องไม่ต้องหัวหรอกเรื่องพวกนี้ไม่มีแล้วแต่หุค ก, กลยังอยู่นะจํานิดนึงว่าหุกกมศาสนาทุกวันนี้ยังอยู่เรื่องทานมีเหมือนเดิมหมด <c oughs> แต่ที่ใช้ไม่ได้เพราะสภาพของธาตไม่มีแล้วแต่หุก่กมทาตไม่ได้ถูกยกเลิกนะยังมีเหมือนเดิมเลยถ้าวันหนึ่งสมมุติโลกมันกลับตลปัดกลับมามีระบบทาตอีกทีหนึ่ง <c oughs> ก็ต้องกลับมาใช้หุ่กรมเดิมนี่แหละแต่ทุกวันนี้พอบอกให้ปล่อยทาตหาที่ไหนวะนึก <c oughs> ไปหาที่ไหนมันไม่มีสุดท้ายก็ต้องไปบวชสองเดือนติดอะไรก็ว่ากันไปเพราะการปล่อยทาตก็เป็นส่วนหนึ่งในการกัปฟาโร่เหมือนกับเป็นการไถ่โทษ เวลาคนทำผิดขน้นี้ปรากฏว่าอัลลอฮ์รู้ในอหมานของพวกท่านมะดูกุ้มมิมบาตแปลว่าอะไรนะบางคนในหมู่พวกเจ้านั้นก็มาจากอีบบางคนฟันกีหู ด, ดังนั้นก็จงแต่งงานกับพวกนางด้วยการอนุมัติหนูน้องไม่ถงใครบีอิฟนิอะลีฮินน่ะ อนุม bon hmm. mm ัต hmm. hmm. well, so okay. <th> ิจากเจ้านายเจ้าของทาตผู้หญิงคนนั้นมีคําถามต่ออาจารย์และถ้าเกิดไอ้เจ้านายทาตเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยกันอีกล่ะพูดง่ายๆนะถ้าจะไปนิกาเนี่ยต้องกลายเป็นไอ้เจ้าของธาตุเนี่ยเป็นบวเหมือนวลีอ่ะก็ไปทำไปการทํานิกากับเจ้าของทาตฉันนิกาทาตของเธอด้วยกับมาฮัต ตีได้ตกลงปุ๊บก็แตง่งแต่คราวนี้เจ้านายทาตเป็นผู้หญิงอีกแล้วก็ทาดก็เป็นผู้หญิงจะไปแต่งงานกับโดยที่ให้เจ้านายธาตที่เป็นผู้หญิงนินกาให้ได้ไหมคิดคิดว่าทําได้ไหมคําตอบคือทําไม่ได้กลายเป็นว่าเจ้านายทาตคนเนี้ยจะต้องตั้งตั้งทำไมจะตั้งทาตตั้ ง, งวลีขึ้นมาตั้งผู้ปกคร อ, องขึ้นมาแทนตัวเองเพราะฮาดิสบทนึงบอกว่า ออยู่มาอับดินตาซาวยจะบีกอดีอีรินมาวะลีหิฟะฮุะอาอัรไม่ว่าทาสคนใดที่แต่งงานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้านายของของเธอเนี่ยก็ถือว่าทาสคนนั้นทําซินาเป็นซินาไปอีกข้อดีหนึ่งปรากฏว่าและตาซาวายุมัอะตุบิลตุนมอัอะผู้หญิงจะนิก้าให้ผู้หญิงด้วยกันไม่ได้นี่ไง เป็นเหตุให้นายที่เป็นผู้หญิงไม่สามารถนิกาให้กับท่าที่เป็นผู้หญิงได้ต้องเป็นนายที่เป็นผู้ชายถึงจะนิกาได้โดยตรงเป็นวารีให้ไม่ได้ไม่เป็นถือว่าไม่มีอะไรแล้วพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วเพราะคุณเป็นท่าเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าของเหมือนผมบอกแค่เหมือนเหมือนซื้อของเลยพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเน่มันเหมือนซื้อของอ่ะกรรมสิทธิ์อยู่ที่เจ้านายหมดเลย พอมองพ่อแม่ไม่มีอ่ะพ่อในกรณีที่เป็นอิสระถ้าไม่ใช่พ่อถ้าถ้าเป็นทาสไม่มีคําว่าพ่อแล้วพ่อน่ยมีแต่ว่าไม่มีสิทธิ์อะไรแล้วเพราะคุณขายไงซื้อขายจนจับหมดฉันบอกเหมือนเหมือนสิ่งของอะ่ะเหมือนเราซื้อของเหมือนซื้อปลาซื้ออะไรอย่างเี้เลยนะอืมคราวนี้เล่ห์ฮัดดิสมโววัลเลมาร์อต ah, ุนับสาฮาไม่อนุญาตให้ผู้หญิงแต่งงานด้วยตัวของนางเองนี่แสดงว่าไอ้พวก ที่เข้าใจว่าแม่ไ ม, ม่เนี่ยในการเองได้เนี่ยผิดไปขอมีกล้ากับผู้หญิงคนนั้นเลยและผู้หญิงคนนั้นก็รับรับทุบแต่งวันนี้ไม่ได้ไไดจีน่าครับเฟอร์อินเนสแอนนี่เนี่ยถือว่าทำจีนาสแสดงว่าต่อให้เป็นหญิงไม่ก็ต้องตั้งวลีขึ้นมาต้องหาวลีนะแต่คราวนี้จะไปหาที่ไหนก็ต้องมาปรึกษาตัครูแหละเอว่าใครเป็นวารีบางทีหาไม่เจอผมให้อีกข้อนึงนะเป็นเป็นอีกอันหนึ่ง <c oughs> ตำแหน่งมันจะมีอยู่แค่อันเดียว <c oughs> ตำแหน่งเดียวเลยก็คื อ, คอวลีมุจจบิทวลีมุจจบิทคือพ่อและปู่คนเราเนี่มีพ่อกี่คน <de el> มีคนเดียวปู่ก็ต้องมีคนเดียวด้วย <de el> เพราะว่าตาไม่ได้นะต้องเป็นพ่อของพ่อพ่อของแม่ได้ไหมเป็นวลีได้ไหมไม่ได้นะฝั่งแม่ไม่ไม่นับเลยวลีต้องเป็นฝั่งพ่ออย่างเดียวปู่มีคนเดียวพ่อมีคนเดียวเขาเรียกวลีมุจจบิทโดยตำแหน่ง หลังจากนั้นแล้วไม่ใช่ว ล, ลีมุจจบิดแปลว่าถ้าเกิดพ่อแม่พ่อไม่อยู่ปู่ไม่อยู่แล้วมีพี่ชายแต่พี่ชายมีได้ดคนเดียวไหมมีหลายคนครนี้ปรากฏวัยเดะเนี่ยมีพี่ชายทั้งหมดสามคนขพราะว ล, ลีใครวะเออ ท, ท, ทุกคนเข้าใจว่าพี่คนโตหมดจริงๆไม่ใช่เลย อิสลามกำหนดวลีที่เป็นพี่ชายดูจากใครที่เข้าใจศาสนามากกว่าให้ไปขอคนนั้นคนมีความรู้ยกสถานะคนมีความรู้นั้นพี่ชายคนโตมันเซซอมันลงขวดไปขอมันไม่ซ้อนะต้องไปขอใครต้องไปขอไอ้น้องมันพ่อไอ้น้องมันจบปะนาะเรียนเรียนตรีกามามีความรู้ศาสนาละหมาดครบ5าเวลาไอ้น้องกลายเป็นวลีของไอ้นี่นี่ ไปมีก็ไล่ไปเรื่อยๆลุงฝั่งญาติก็ไล่ไปยังไงก็ต้องมีญาติบ้างแหละยกเว้นกรณีที่ไม่มีเลยก็คือมืออาชจะไม่มีแต่ถ้าเป็นหญิงเดิมที่มีญาติพี่น้องอ่ะฝั่งพ่อต้องมีญาติบ้างไม่เหลือเลยเหรอฝั่งพ่อไม่มีญาติเลยเหรออ๋อทันเล่ท์เทก็จะตกไปวลีฟาซิก็ตกไปตกไปหมายถึงว่าเดี๋ยวก็จะไล่ไปเรื่อยๆ คือมันก็ยากนะการที่จะบอกว่าใครมีศาสนาไม่มีศาสนาเนี่ยอมันก็ต้องสืบกันนิดนึงแต่ว่าในกรณีพี่น้องเนี่ยมันเทียบกันได้ไงเนออกมล่าเหมือนกันนะวัดเล็กใหญ่เนี่ยบางคนก็บอกเอาไอพี่คนโตจริงๆเนี่ยต้องเอาคนที่มีความรู้ศาสนาเป็นหลักเพราะอะไรล่ะเพราะไม่งั้นถ้าเอาพี่คนโตคน อ, อย่างเดียวปับ๊บแล้วพี่คนโตมันไม่รู้ศาสนางานเข้าสิดังนั้นตั้งได้พี่คนโตจะตั้งได้ไม่เป็นปัญหาแต่ต้อง ต้องมีคนมีศาสนาเป็นคนอะไรคนคอยกำกับด้วยแต่แต่จริงจริงเนี่ยให้พิจารณาจากคนมีศาสนาเป็นหลักแต่ถ้าวลีมุจจะบิดมีคนเดียวพ่อปู่ไม่พ่อกับปู่ปู่จะได้ต่อเมื่อพ่อไม่อยู่นะอ่าปู่เพราะเพราะไม่ใช่ปู่จะได้ได้เลยถ้าพ่อไม่อยู่ถึงจะเป็นปู่เออพ่อพ่อมันพ่อมาก่อนเนเพราะพ่อชิดกับลูกมากทีสดอันนี้ตัวอย่างเนี่ยเรื่องเรื่องวลีเนี่ยบางทีไม่เข้าใจกันอันนันเราียนต่อนิดนึง อาโลเบาว่าธาตหญิงที่ละเมิดอ่าเดี๋ยวถึงหน่อยนะฟังกีฮูฮุนเนบีอิดนี่อะลีฮินเนวาอาตูฮุนเนอูจูรอฮุนบินมะอารูฟไปแต่งกระทาดเนี่ยบางคนบอกเป็นทาตุนี่อาจารย์ไม่ต้องให้อะไรเลยได้ไหมไม่ได้กูรรานบอกว่าก็เมื่อไปแต่งกระทาดเนี่ยก็ให้ ให้มอบไปเลยนะดังนั้นจงแต่งางานด้วยกับพุธมาและจงให้แก่นางซึ่งมหัตนี่ไงเป็นทาสยังต้องได้มหัดเลยได้ศินสอดได้มหัตบินมารุฟก็คือโดยชอบรมไม่ได้ถูกกำหนดแต่ว่าเขาให้กันเท่าไหร่ก็ตามนั้นแหละตามประเพณีที่เขาเค่อยให้กันจนแล้วก็นางพอใจหรือนางพอใ จ, ออนอ ใ, จในฐานะที่พวกนางนั้นเป็นหญิงที่ได้รับการแต่งงานด้วย ฟาอีลาอ้วินดังกล่าวนี้นางจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีสา ม, มีแล้วเป็นภรรยาแล้วแต่สถานะยังเป็นอะไรอยู่เป็นทาสอยู่ฟาอีฟาอินอาไตนาบีฟาฮและถ้าเกิดว่านางเนี่ยไปทำเรื่องที่ลามกหรือทำผิดหลักการศาสนาฟาอาไลหินานาลิสูมามอาไลมอสสานัดการที่จะลงโทษนาง น, นั้นจะได้แค่ครึ่งเดียวของคนที่เป็นอิสระชน อันนี้พี่น้องจำเลยนะทาดเวลาโดนโทษจะเหลือแค่ครึ่งเดียวเช่ <c oughs> <c oughs> นกรณีทาดดื่มเหล้าเกิดเข้าไปนางกำลังกงเลยดื่มก็ปกติโทษเคี้ยนก็คือเท่าไหร่สี 40, ่สิบใช่ไหมตามโอมัดมาเพิ่มเป็นแปดสิบธนวัตเพิ่มแปสิแต่โดยทั่วไปก็คือสี่สิบนางก็จะถูกเคี้ยนแค่ยี่สิบถ้าเกิดนางไปกอดดับไปก่าว หลายคนว่ า, คน น, นาคนนี้ทําซีนะคนนี้ทานาถูกฟ้องนางก็จะเหลือโทษสีิเพราะโทษกอดับคือแปดสิบเห็นไหมผู้หญิงจะถูกลงโทษแค่ครึ่งดิอ่าไม่ใช่ผู้หญิงถ้าจะถูกลงโทษครึ่งหนึ่งมีนนอาดาับยกเว้นกรณีโทษที่ประหารถ้าประหารไม่มีครึ่งหนึ่งตัดครึ่งตัวอ๋อไม่ได้ถ้าประหารก็คือประหานไม่มีครึ่งโทษครึ่งหนึ่งเฉพาะโทษในการเคี่ยนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดนางไปฆ่าคนไทยจบอ๋อ ตัดแค่ครึ่งหนึ่งไม่ได้ก็คือถ้าฆ่าคนตายหรือไปทำศีนาดังที่มีสามีแล้วก็ต้องถูกขว้างจนตายแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีสามีมาก่อนและไปทำศีนาก็ถูกเที่ยนห้าสิบเดไม่ร้อยครึ่งหนึ่งไงเห็นไหมนี่หลักการศาสนานางจะโดนครึ่งหนึ่ง the ligament coscia anata minkum ปิดท้ายนะเอาลอ์บอกว่ า, าและการที่พรเจ้านั้นอดทนอดกันอดทนอดกันว่าอันตัสบิรูอ่าไม่ใช่เดี๋ยวดังกล่าวนี้แป๊บหนึ่งและนั่นสำหรับคนที่มูอ๋อ ลิกดังกล่าวนี้สำหรับหมูคนที่ทำความชั่วในหมู่พวกเจ้าแล้วเ่าบอกว่าฟาอินตัสบีรูและหากว่าท่านอดทนคอยรุนละกุ่มย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าวะลอฮูกอฟูรุระฮิมคำว่าอดทนตรงนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกอย่างนี้นะคือเอาลราให้แต่งกระทะได้ก็จริงนะแต่อนุญาตบนเงื่อนไขสำหรับคนที่กลัวจีนา คนที่กลัวจีนาและเกิดความลําบากที่จะอดทนอดกลั้นต่อการมีเพศสัมพันธ์ได้คือเป็นคนที่ชาวัดเยอะมากบวชก็เอาไม่อยู่นะและกลัวว่าจะไปทําความชั่วดังกล่าวดังนั้นจึงให้แต่งกับทาาที่เป็นผู้หญิงได้แต่ถ้าเกิดครับเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ก็ให้เขานั้นหลีกเลี่ยงในการแต่งกับทานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการที่ท่านแต่งกับทานมีภรรยาเป็นทานเมื่อลูกออกมา ลูกเป็นสิทธิ์ของใครเออลองลองลองตอบดูสิว่าจะเป็นสิทธิ์ของอายยอมันหรือจะเป็นสิทธิ์ของเจ้านายทาตสิทธิ์จะไปอยู่ที่เจ้านายทาตลูกที่ออกมาแต่ละคนเป็นทาตหมดเลยเป็นทาตให้กับใครด้วยกับเจ้านายเขานะ่ะเราไหวไหมเราอยากจะมีลูกกี่คนก็ไม่ใช่ลูกเราเขาก็เอามาไปเป็นทาตุหมดเลย เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดความช้ำใจกับคนที่เป็นเป็นพ่อด้วยดังนั้นอเลอร์บอกว่าถ้าอดทนอดกันดีกว่าเพราะท่านเมื่อไหร่ที่มีลูกขึ้นมาท่านก็จะเจ็บปวดตรงนี้แหละว่าพอลูกออกมาจะเป็นสิทธิ์ของเจ้านายธาตก็ยกเว้นว่าเจ้านายทาตคนนั้นจะใจดีปล่อยให้เป็นอิสระก็จบก็กลายเป็นผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเป็นคนที่เป็นมโนสอนนัสและไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นทาตุแล้วแต่ถ้าก็ไม่ปล่อยลูกเกิดในท้องกี่คนถึ่งเราเป็นคนทำเลยนะ กลายเป็นลูกเจ้านายทาตุหมดเลยเนี่ยนี่ก็คือหลักการศาสนาที่ <c oughs> อลัลลอฮ์กำหนดไว้แต่ที่บอกแบบนี้ก็คือว่าดีที่สุดคืออย่าไปแต่งกะทานเลยเนียเพราะว่ามันจะเกิดแบบเงี้ยที่เกิดขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวอ่านต่อนะครับแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นผู้ทรงเมตตาเสมอตอนนี้อ่านถึงยี่สิบแปดเลยนะ <c oughs> นะหไหมัยนะไหวมกอบลีกุ้มเลยไหวไหมได้ทำดูอีกแล้วเอาได้อยู่คือฉันนะ่ะไม่ได้ต่อให้มีลมมันก็มีเหงื่อได้เพราะว่ามันอบอ้าวมันอบ มันคนเคยจะอยู่ห้องแอร์นะอ่าก็ไม่เป็นไรได้ไ ด, เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จนี้ค่อยไปตากแก้วอืมขี้ร้อนขี้ร้อนฉันไม่คนเหงื่อออกดีนะแค่คนบางคนเขาเด็กเหงื่อออกง่ายนิดเดียวเนี่ยฉันเหงื่อออกแล้วแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีนการระบายที่ดีแล้วก็เวลาฉันกินของร้อนเน่ะกินของเผ็ดนะเหงื่อนี่เต็มหน้าเหมือนไปวิ่งมาเลย เออมีแม่เคยเห็นแม่คนกินของร้อนปับ๊บเหงือ่อเต็ไมไปหมดเลยทั้งๆ ท, ที่กินห้องแอร์ด้วยซ้ำํำต่อให้กินห้องแอร์นะเหงื่อก็มาเออดิฉันเป็นคนอย่างนั้นแล้วมือฉันเนี่ยดูดิแดงเป็นมือแดงเป็นคนมือแดงเขาเรียกฝ่ามือโลหิตมือแดงหมดเลยเนี่ยมือสีแดงหมดเนีเ่ยเลือดลมดีเลือดลมดีเป็นคนเลือดลมดีนะ่ไม่ต้องห่วงนะแล้วก็เคย เคยเขาเล่นเกมกันอันนี้ไม่ดีหรอกเป็นการเล่นเกมแล้วก็เขาให้ให้ให้ตบตรงท้ายทอยเนี่ยเล่นเกมในตอนที่ทาค่ายไอ้เราก็ลงมือแดงไปหน่อยอนั้นสลบเลย <c oughs> มือมือหนักมากเลยนะเออไอ้ <c oughs> แต่ว่าอย่าไปทำใครนะบางคนบางคนมือหนักบางคนหมัดหนักเลยไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันครานี้ เดี๋ยวเราเรียนต่อนะถึงอายะที่2ี่อีกนิดหนึ่งนะครับอ่าไม่ต้องห่วงนะเรื่องเหงือ่อฉันคนเหงื่อไหลง่ายอยู่แล้วเออแล้วก็เลือดลมดีทำดีแล้วนะครับจะไม่ใช่อตอนโรยยิมอ่านต่อนะยี่สบหอ่าพี่น้องอ่านต่อนะครับพร้อมยัง ยูรีดุละَ่ะคุมว่ายัดยคุมสุนนะนั่นละดีนะ ق َ ب ْบลิُุม ال الذين من قبلكم ويتوب عليهم والله عليم حكيم <ت ص في ق> والله يريد أية طوباء عليكم ويريد علي الذين يتبعون الشهوات ال الذين يتبعون الشهوات أن تميل ميل عظيم يريد الله أي يخف ุคกอ่กยยอมอมาดูความหมายนะครับอายะห์ที่ยี่สิบห อัลลอฮ์ทรงประสงค์ยูรีดุลลอฮอัลลอ์ประสงค์ลิย um. ูบัยีเนลักุมอัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะแจกแจงยะดี e, แปลว่าแนะนำแก่พวกเจ้าให้ทราบถึงซูนนั่นแปลว่าแนวทางต่างๆ อัลเลดีนามีกอบบรีกุมซึ่งแนวทางต่างๆของบรรดาชนรุ่นก่อนพวกเจ้าอเลสทรงบอกให้เราทราบถึงพระองค์ทรงต้องการที่จะอธิบายให้พวกเราทราบกินกินข้าวอ่ะจ้า โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายถึงสิ่งที่อนุญาตแก่พวกเจ้าและสิ่งที่ต้อเป็นต้องห้ามแก่พวกเจ้าหมายความว่าไงพี่นอ้องหมายความว่าอัลลอฮ์รักเรานะครับอัลลอฮ์ก็บอกให้เราทราบว่าอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้ <c oughs> แนวทางที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัตินะให้เราปฏิบัติแบบไหนการที่อัลลอฮ์เล่าถึงกลุ่มชนที่ได้รับเนื้อมัดในสมัยก่อน <c oughs> ก็เพื่อให้เรานั้นได้ปฏิบัติตาม อ่าเหมือนเวลาอย่างอาจารย์โมวานฉันฟังอาจารย์บับบลี่บรญยายยก็เล่าถึงแนวแนวซอบาที่ได้เสียสละเราจะได้อะไรนะได้รับเหมือนแนวทางการปฏิบัติของคนที่ได้รับความสําเร็จมาแล้วแล้วก็แน่นอนเอเล็กก็เล่าถึงพวกคนที่ดื้ อ, อกลุ่มกลุ่มชนพวกรูธนะไม่ใช่นบีรูดนะบางคนบอกนบีลูดไม่ใช่นบีลูดเนี่ยเป็นนบีของอล้อ ส่วนคนที่ดื้อเนี่ยคือกลุ่มชนของนบีรูตไม่ตามและอัลลอะ์ก็ทรงแนะนำพวกเจ้าถึงแนวทางต่างๆของบรรดาผู้ที่อยู่อยู่ก่อนพวกเจ้ามาแล้วอันหมายถึงมารยาทที่ดีได้รับการสรรเสริญและบุคคลที่ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และพึงพอพัะไทยว่ยาตูบะอะไรกุ้มและ ทรงรับการอภัยโทษแก่พวกเจ้าหมายความว่าคนที่เคยทำบาปไปก็ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์จะให้เขาอยู่กับบาปแบบนั้นตลอดไปแต่อัลลอฮ์รับการอภัยโทษเสมอนะอย่างที่เราเรียนไปแล้วว่ากอรีบกอรีบของพระองค์เนี่ยหมายถึงนู่นเลยนะยังก่อนวิญญาจะออกจากร่างวลอัลลอฮฺอัลลอฮลฮล อัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้และทรงปีชายาน <c oughs> ในบัญญัติของอัลลอฮ์ที่เดชานุภาพนะครับและการกระทำอายะที่ยีลล่สิบเจ็ดวะลอหูยูรีดูไอยตูบะอะไลกุม่มและอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะรับการอภัยโทษแก่พวกเจ้า อ, อันแรกนี่พูดถึงว่าอัลลอฮ์ได้บอกไว้หมดแล้ว ชี้แจงไปหมดแล้วอันไหนคือแนวทางที่ถูกต้องอันไหนของฮารานฮอรอมให้ทางนาแก่พวกเจ้าด้วย <c oughs> แล้วก็เล่าเรื่องคนก่อนหน้านี้ที่ได้รับความพึงพอใจให้พวกเจ้าได้ทราบพออียะย่นึงอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะรับการประสงค์ที่จะรับการอารอภัยที่จะให้อภัยอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้อภัยแก่พวกเจ้านะ วัยยูดลเลรีล น, นายาตาบิอูนัชชาวัตและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามความใคร่ชาวัตชาวัตแปลว่าอะไรแปลว่าอารมณ์ไฟต่ําชาวะชาวะซึ่งมนุษย์เนี่ยมีชาวะอยู่มีกี่เรื่องหรอก อ, อันแรกเลยเรื่องเพศชาวะเรื่องเพศ <c oughs> อิสลามก็เลยให้มีการแต่งงานซะ แต่ถ้าเกิดไปละเมิดมาแล้วตาวัตตัวเอาล็อก็ให้อภัยความต้องการในเรื่องการกินการดื่มาบางคนทําการขโมยกินของฮารอมถ้าเกิดวันหนึ่งเขากลับเนื้อกับตัวเอาล็อก็ให้อภัยไม่รู้ว่าชาวัดที่มันเป็นนับซูความต้องการของเรานะทั้งหมดเลยที่เราเอ็นเอียงไปเอาล็อบอกว่า อันแต่มีลูมันทําให้ชาวาเนี่ยมันจะดึงเราให้ออกไปจากแนวทางของล้ออ่าบางคนเนี่ยขอมามจริงๆนะคือถ้าปกติเนี่ยถ้าไม่มียุ่งกับสตังเนี่ยจะเป็นคนที่ดีมากเลยคือหมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าให้เขาเนี่ยไปทํางานกลางเต็นอ่าให้เขาไปทํางานฝ่ายปฏิคมต้อนทับมอบหมายงานให้เข า, าเนี่ยดีมากเลย แต่เมื่อใดที่มอบหมายให้เป็นเหดันยิกเงินหายตลอดเออคือเป็นคนแพ้เรื่องเงินพูดง่ายๆดังนั้นเวลาจะใช้คนเนี่ยสมมติเนี่ยสมมตินายรับรับรับวันนี้โดนบริษัทเนี่ยรับรับยามมาทำงานรปภประวัติเคยเคยขมขืนมาแล้วไหวไหมไม่ไหวนะไม่รู้มันจะไปโดนขมขืนลูกบ้านเมื่อไหร่ เออเป็นคนมีประวัติไม่ดีเรื่องของลามกอะไรเงี้ยแล้วให้มาเป็นยามเฝ้าประพาดเบนต์ดาวแล้วลูกผู้หญิงทั้งนั้นอยู่ในในหอตัวอย่างคือบางคนเนี่ยแพ้บางเรื่องเออชาวาเขาเนี่ยเขาบางคนเนี่เรื่องเงินทําอะไรเขาไม่ได้เลยอ่อนรอให้เขายูเงินยังไงเขากลัวมากเรื่องเงินเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรื่องผู้หญิงไม่ประหาดเลย <laughs> แพ้ผู้หญิงอบางคนแพ้ด้วยผู้หญิงบางคนแพ้เด้วย เ, เงินบางคนแพ้ตําแหน่งเสนอเงินยังไงเท่าไรไม่เท่าไรแต่ตำแหน่งปับ๊บตาลูกวาวเลยเนี่ยเขาสมัครอิมัมกันเนี่ยโอ้โหตาลูกวาวเลยอยากเป็นเออเห็นไหมคือแต่ละคนจะมีจุดอ่อนที่จะเอ็นเอียงไปไม่รู้แหละคุณจะเอ็นไปทางด้านไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าวันหนึ่งกับเนื้อกับตัวเอาล้อให้อภัยเอาล้อพี่น้องอายา น, นี้เป็นไง เป็นอายะให้กำลังใจคนที่ผิดพลาด ต, ต้องรีบเตาบัตตัวนะเพราะอัลลอฮ์บอกไว้ที่คุณเอียนๆอียนไปเนี่ยมันไม่ใช่เจอจากความเลวร้ายของคุณโดยตรงหรอกแต่มันเกิดจากนับซูชาฮวาที่อัลลอฮ์ใส่มาให้กับมนุษย์พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับชาววาเนี่ยเป็นชาววาเดียวกับสัตว์สีเท้างงมสัตว สีเท้ามีความต้องการผรสมพันธ์ไหมมีถึงฤาดูการมันไม่ต้องสนใจนะมันขีหมดอะมนุษย์เราก็มีความต้องการที่จะสืบพันธ์ผสมพันธ์เหมือนกันมาสืบพันธ์เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ <c oughs> มีคนถามว่าทำไมออลลอไม่เอาวัวเข้านรกไม่เอาแมวเข้านรกเพราะอัลลอมไม่ได้ให้นี่มาสติปัญญามานี่พวกแมวพวกสุ น, นัขเอ้ยสีเท้าเอย กระบือเอ่ยพวกนี้มันทําตามสัญชาติยานเมื่อมันหิวมันก็กินแล้วมันไม่สนใจนะว่ามันมาโม่วงบ้านใครพอแพะมันเข้าไปที่ไหนมันเลมหมดถูกไหมมันหิวอ่ะมันเล็มหมดแหละมันไม่ได้แยกอ๋อนี่มันมีเจ้าของเว้ยไม่ได้มากินบ้านแล้พอปล่อยมันก็กินหมดแต่เวลามันอิ่มแล้วมันแงมันหยุดนะแต่มนุษย์แล้วเนี่ยไม่หยุดอิ่มก็ขอกลับบ้าน ใช่ไหล่ะถูกไหมเออวัวมีเคยวัวขออกกับบ้านไม่ไม่นะวัวมันกินแค่นั้นแหละมันก็อิ่มมันก็หยุดแต่มนุษย์เอาเอากลับบ้านได้แต่ไม่ผิดนะไม่ผิดในการเอากับบ้านไม่ผิดแต่ก็เด่นว่าฉันเคยบอกว่าบ่อปลาฉันเคยเล่าให้ฟังอ่ะเจ้านายจะถมที่ขายที่แล้วแล้วมีบ่ออยู่อันหนึ่งเจ้านายก็ดีใจบอกว่าไหนก็จะถมอยู่แล้วก็เปิดให้ให้คนมาตกปลา ประกาศว่าประมาณสักสองเดือนอประมาณสักเดือนนึ่งให้คนตกะนะเขาบอกว่าจ ะ, ะผ่านไปสองวันหมดป้ า, ปาหมดบอ่อแล้วเฮ้ย hey, มันหมดยังไงวะมัมันเอาอวนมันลากไปเลยเอะ่ะมันไม่ตกกินมันเอาตกไปขายมันเอาอวนลากไปหมดเลยวันเดียวหมดเกี้ยงเลยนะแทนที่ว่าจะถมได้สองเดือนแม้วันเดียวต้องถมละคือมนุษย์ยังเป็นอย่างงี้ความโลภเนะี่ยกินคนเดียวไปหมดเราจะคุณไม่ก่อนดังนั้นมนุษย์มีสติปัญญา อัลลอฮ์จึงไม่จึงเอาโนนุ์ลงนรกเพราะอะไรเพราะมนุษย์สามารถแยกได้ว่าอันนี้ทําได้นี่ทําไม่ได้อันนี้ลูกสาวเขามีลูกมีพ่อมีแม่นะ <c oughs> ไม่ให้เกียรติเขาตัวอย่างเช่นเดียวกันศาสตร์ทําตามสัญชาติญาณแต่อัลลอฮ์ไม่ให้มีสติปัญญามันก็เลยทําของมันไปเรื่อยของมันแต่มนุษย์เรามีสติปัญญามาริการทาไมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษอ่าทำไมมาริการทำความดีเป็นยิจะสินเพราะมาริการไม่มีชาวัด มาเลกามีเพศไหมไม่มีมีกินมีดื่มไหมไม่มีเนี่ยมริกาไม่มีหลับไม่มีนอนไม่มีกินไม่มีดื่มไม่มีเพศถ้าเราไม่มีพวกนี้เราก็ทําเราก็ไม่รู้จะทำบาปทําไมไอ้ทุกวันนี้ที่โกงกันไปในพ่อเลยเพราะว่าเนี่ยปากท้องอยากกินอยากอะไรไอ้ที่ประเภทที่มาละเมิดเรื่องเพศก็เพราะเรามีเพศหญิงเพศชายแต่เมื่อเมริกาไม่มีมาเลก้าก็ทําความดีเป็นที่ละสินเพราะไม่มีชาววัดแต่พวกเรามีชาววัด แต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์เหนือชาติวัดก็คือสติปัญญาในการที่จะไม่แยกแยะอันไหนดีอันไหนไม่ดีเห็นไหมคราวนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปอัลลอฮ์ให้อภัยยังไม่พอนะอัลลอฮ์บอกต่อยูร ah um ีดุลลอห์ไอยูคอฟฟีฟาอันกุมเพิ่งทราบเถิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงผ่อนผันให้กับพวกเจ้านะบางเรื่องแม้ว่าการกระทานั้นจะผิด แต่ถ้าเกิดจากความจำเป็นมันก็กลายเป็นข้อผ่อนผันอย่างที่บอกเนี่ยไม่มีอะไรจะกินแล้วถ้าไม่กิ น, น้นนตายแน่นอนกินได้อ่าถูกบังคับถ้าไม่ทาเขาจะยิงเราอ่าอันนี้ก็ต้องทําไปเพื่อรักษาชีวิตมีข้อผ่อนผันมนุษย์แต่มนุษย์นั้นถูกบังเกิดมาเอาเบอกแต่มนุษย์นั้นถูกเกิดมา ในสภาพที่ดอยฟาพี่น้องผมอ่านคำว่าดอยฝาเนี่ยแปลว่าอะไรมนุษย์นั้นถูกเกิดมาในสภาพที่อ่อนแอแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่ามนุษย์เนี่ยเหมาะสมที่จะได้รับการ ผ, ลผล่อนผันอันเนื่องมาจากเขาอ่อนแอทั้งร่างกายและชีวิตและจิตใจร่างกายชีวิตและก็จิตใจ คือจิตใจเราบางคนบางทีมันอ่อนไหวบางทีตอนแรกก็ไม่รรอกเอาไหมล่ะอาจารย์ไม่เอาสองล้านนะเฮ้ยไม่เอาสามล้านละสี่ล้านละห้ากูเอาแต่ห้าล้านแล้วมึงไปถึงทุ่น คือในตอนแรกยังแข็งอยู่มันยังไม่เยอะพอเอ็ใไหมเนี่ยซื้อเสียงเนี่ยแล้วมันีกดมาอ่าห้าร้อยโอ้ยฉันกินฉันไม่ได้หรอกห้าร้อยเสองพันมานี้มาคุยกันหน่อย <c oughs> เห็นไหมเดี๋ยวเขาบอกว่าอะไรของฉันจะซื้อไม่ได้ทําไมมากพออะไรประมาณนี้มนุษย์อ่อนแออ่าจิตใจเขาเด็กจิตใจมัน อ, อ่นไห ว, อ, อ, ไวอยู่เสมอแล้วอันนึงพี่น้องผมเจอในอิมโนอบีฮาติมเขาบอกโดยเฉพาะสิ่งที่ทําให้ใจหัวใจมนุษย์อ่อนไหวมากที่สุดคือ อ่อนแอไม่สุดคือสตรีสตรีนี่แหละที่จะทำให้มนุษย์นั้นอ่อนแอวากียบอกว่าสติปัญญาของเขาจะหายไปทันทีเมื่ออยู่กับนางจะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นางบอกอะไรก็เชื่อหมดอะไรหมดเนี่ยเ <c oughs> ขาเรียกว่าอยู่ในภาวงหลงเออเนี่ยวา ก, กียาบอกนะตอนแรกนี่คนเข้มเลยเพาไม่ได้อวมาห้ามพอนางบอกบางเอาซะหน่อยสิ น, นะนะเดี๋ยวฉันมีรางวัลให้เอาแล้วเริ่มเลยอ่อนแอเลยจงไปนี่ไงมนุษย์นั้นอ่อนแอโดยเฉพาะเรื่องสติเมื่อมันมีสติเข้ามาเกี่ยวก่อมเมื่อใดบางทีจากแข็งแข็งกลายเป็นอ่อนเลยนั้นบางสมรภูมิที่เคารบกันแทบเป็นแทบตายนะไปดูประวัติที่เขาเจรจาได้นะ่ไม่ใช่เลผู้หญิงเอาผู้หญิงเข้าไปเกี่ยวแป๊บเดียวเจรจาได้เลยเ ดังนั้นตรงนี้อัลลอฮ์พูดเอาไว้น่าฟังมากนะครับว่ามนุษย์เหมาะสมที่จะได้รับความมรผ่านเพราะมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอปราดทับซีอธิบายต่ออีกกรณีหนึ่งโอเคแหละตอนโตๆกันเนี่ยแข็งแรงแหละแต่เมื่อคลอดออกมามนุษย์เนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นสัตว์ประเภทเดียวเลยนะที่คลอดออกมาแล้วไม่สามารถจะดารงชีวิตด้วยตัวของของขอ ง, ของตัวเองได้ เว้นแต่ด้วยการดูแลของผู้ที่เป็นแม่วัวเนี่ยมันคลอดออกมาเนี่ยแม่มันเตะแป๊บเดียวมยืนแล้วกินนมแป๊บเดียวเดินแล้วแต่มนุษย์เนี่ยกว่าจะพูดแอ้ได้เนี่ยทาอะไรไม่ได้อ่อนแอมากบอบบางมากนะโยนนิดนึงก็เจ็บปวดนะกระหม่อมกระม่เต็มประคบปะงมอย่างดีจนกระทั่งเติบใหญ่มาแล้วมนุษย์เป็นไปนไม่ได้เลยถ้าจะวางไว้เฉยแล้วจะกินนมเองได้ หรือโตเองได้ต้องมีคนคอยดูแลซึ่งต่างกับสัตว์ที่คลอดลูกออกมาพอมันคลอดออกมาไม่กี่ชั่วโมงมันก็เดินได้แล้วมันก็วิ่งได้แล้วกินนมได้แล้วแต่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์นั้นอ่อนแอมากโดยเฉพาะตอนที่เกิดมาและก็อีมุมหนึ่งก็คือเมื่อโตมาแล้วก็จะอ่อนแอในเรื่องจิตใจถูกชักจูงง่ายดังนั้นบางคนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลาย <c oughs> ไปไปตหนิคนผมยกตัวอย่างแล้วกัน มีคนเล่าให้ฉันฟังเนี่ยมีโต๊ะคนหนึ่งโอนไปบัญชีอะไรล่ะคอเซ็นเตอร์โอนไปหมดเป็นแสนเลยนะแล้วก็ลูกหลานก็ว่าว่าว่าโต๊ะว่าเลยแหละว่าป้าว่าเพไม่บ้าไมไม่ไม่ปรึกษามบบก็คนไม่รู้เนีคนไม่รู้แล้วกลัวพอกลัวเสร็จก็หนีไปทําไปอะไรบอกขหมดเลยไอ้นี่ก็หลอกเอาเงินไปอแต่ฉันเนี่ยบอกว่า อย่าไปว่าโต๊ะเขาเลยเขาไม่รู้หรอกเราอันี่แหละทำไมร้อยวันพันปีไม่คุยกับเขาเลยแหะพอเราขามีเงินปั๊บเดยเริ่มคุยกับเขาอหมทำไมไม่ดูแลเขาล่ะทำไมไม่บริหารจัดการในเขาล่ะและเทคโนโลยีถ้าโต๊ะไม่เป็นเนี่ยก็ทําให้เขาสิอ่าแต่พอเราไปให้เขาในสิ่งที่เขาไม่ถนัดในสิ่งที่เขากลัวแล้วพอเขาทําผิดเราก็ว่าเขาแหมไม่ถูกเซ็นโตไม่ถูกแล้วใครเธอก็เสียรู้โอนไปแล้พอเขาไม่รู้ไงถ้าเขารู้เขาคงไม่โอนหรอก แต่ไม่เขาก็มาให้บริจาคสุรลงสุราหมดแล้วแต่นี้พอไม่รู้แต่มนุษย์เนี่ยจิตใจอ่อนแอพวกพวกมิจฉาชีพก็เล่นเล่นตรงนี้แหละและ้วแล้วแล้วมนุษย์เองก็เป็นคนที่ขี้สงสารเป็นหลักอยู่แล้วสังเกตไหมล่ะพวกเราเนี่ยเห็นอะไรมันปุ๊บโอ้ยอย่าสงสารนะแต่บางทีมันก็มีแบบหน้ามา้ามาหลอกก็มีวันก่อนนี้นะพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายมีคนส่งบัญชีไม่ฉันแล้วก็เอารูปนอนแย่เลย แต่ฉันนะี่ยผ่านตามาแล้วว่ารูปเนี่ยบัญชีรูปเนี่ ย, เ, ยเคยอยู่ในเพจอันหนึ่งที่เขามีการรับรองแต่พวกเนี่ยไปแก้บัญชีเปลี่ยนเป็นบัญชีตัวเองแล้วก็ส่งไปไอ้เราก็นึกว่าของจริงพอโอนไปไม่ใช่เข้าบัญชีคนที่ป่วยตรไนะไปเข้าบัญชีมิจฉาชีพเนี่ยระวังนะโอนโอนกันเนี่ยดูให้ดีเช็คให้ดี เ, เพราะว่า มาเป็นขบวนมันที่ส่งข้อมูลยาวงี่เราไม่ไหวอ่านอ่านเฉพาะคํำพีนเดียวกลายเป็นบัญชีมั่วก็มีแต่รูปแบบจริงมีกรณีเคสเนี่ยเดือดร้อนจริงแต่เขาก๊อปข้อความมาทั้งหมดและแก้เฉพาะบัญชีแล้วก็ไม่รู้นี่มันแก้บัญชีแอนฉันบอกว่าฉันรูทันก็พิมพ์ไปบอกรู้ทันอย่ามาหลอกกันเลยนะอย่าทํำเลยมันบาปได้เอ้ยและแกก็บล็อกฉันทิ้งไปเลยอื เ, เพราะว่าฉันติดตามอยู่มันมีเพจอยู่อันหนึ่งที่เขาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากเราจำได้กรณีนี้และน่าจะคนนั้นน่าจะสร้างคดีหาได้แล้วมึงโอนกันขนาดนั้นเนี่ยบางทีก็ให้กันจนเกินเยอะไปก็มีนะครับอ่านี่ว่าไงกับข้าวโอเคยังออยังไม่เซ็นอักษรต่ออ่าถึงยี่บเก้าแล้วกันนะ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل <ت ص في ق> อิลล้าอันตะคุณาติจาระต์อันตาราะดิมมิคุม أَنفُسَكُمْ أن, إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا อัลลอฮ์บอว่าอยาอายุฮัลลาดีนาอามานูโอ้บรรดาศรัทธาชนแล้วทั้งหลายลาแปลว่าห้ามอย่าได้จงอย่าได้และตะกูลูอย่าได้กินทรัพย์สินอัมวาลากุมทรัพย์สินของพระเจ้าระหว่างพวกเจ้าเองเพราะเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมันคือการโกงซึ่งกันและกันนะบิลเบลโกงกันหรือกินทรัพย์สินโดยมิชอบ ตรงนี้อัลลอฮ์ทรงห้ามผู้ศรัธทธาที่จะเอาทรัพย์สินอื่นโดยใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเช่นการกินดอกเบี้ยนั้นมุสลิมปล่อยเงินกู้แล้วคิดดอกเบี้ยได้ไหมไม่ได้หารอมหรือเล่นการพนันวัดกั น, นเล่นการพนันนะบางคนเล่นพนันกับเพื่อนนะซื้อหวยแทงหวย ซื้อกองซุ่มเยอะแยะเลยอันนี้บาปทั้งนั้นนละเออกองซุ่มก็ไม่ได้นะเป็นการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคหรือวิธีการโดยใช้การหลอกลวงใช้การใช้เลขกลเช่นการค้าขายโดยการหลอกให้โอนตังค์แล้วก็ไม่ส่งของบั่งนะส่งของที่ไม่ไม่ตรงกระปกบ้างอะไรบ้างใช้เลขกลในการค้าขายพี่น้องเชื่อไหมว่าอิสลามเราเนี่ยละเอียดมาก ห้มแม้กระทั่งการขายวัวสมมุติวัวตัวหนึ่งเนี่ยเราเราช่างทั้งตัวนะวัวนี่ช่างทั้งตัวเขาจะมีเหมือนกันยกยกไปเข้าคอเข้าเข้าน้ำหนักตาช่างก็ช่างเลยอ่าช่างทั้งตัวก็ราคาหนึ่งช่างเป็นเนื้อก็ราคาหนึ่งเหมือนทุเรียนนี่ยถ้าช่างทั้งลูกก็ราคาหนึ่งดูเหมือนจะถูกที่ไหนได้ได้ลูกแค่นี้ได้เม็ดแค่นี้ แต่บางทางเป็นเม็ดเนแพงไนงะโลโลละพันมึงแต่ได้เนื้อเยอะเนื้อเต็มกอกเลยแต่พันหนึ่งเออมึงก็ไม่รู้แล้วแต่วัดวัดกันเพราะเขาช่างทั้งเปลือกแต่บางทีเจอเปลือกหนาเปลือกยาวเปลือกอะไรก็ว่ากันไปคราว น, นี้วัวเนี่ยในศาสนาเขาบอกงนี้ปกติแปดโมงเช้านี่ยจะต้องรีดนมสมมติเป็นวัวนมเราจะขายละปรากฏว่าเขาจะมาซื้ อ, อตอนเก้าโมง ปกติแปดโมงเราต้องดีดนมใช่ไหมวันนั้นไม่ไม่ดีดบางถ้ารีทำไมรีดเดี๋ยวน้ําหนักมันลดเดีก็เลยขายไปพร้อมที่วันนั้นที่เตาเต้าเป่งๆนั น, นหละมีนมอันนี้เขาบอกว่ามีบาปแล้วเพราะเจตนา <c oughs> ไม่รีดเหตุที่ไม่รีดเพราะว่าต้องการที่จะให้มีน้ําหนักเพิ่มเนี่ยบาปแล้วในอาราบเนียหนั ก, กว่านั้นมันจับไก่มันกอก กอก อ, อะไรเขาเป็นไม่รู้ฉีดเข้าไปให้นกักแล้วก็เอาไปช่างพอพามาข้าวเต็มหินเต็มเลยหินเต็มกระ เ, เ, เพาะเลยนี่หลอกกันอย่างงี้มีหมดนาะยอย่าว่าอย่าว่าบอกว่าคนไทยคนอาหรับก็หลอกเก่งอย่าไปคิดว่าเรื่องหลอกเลยเฉพาะคนไทยอ่าดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับเรื่องกลโกงเล่โกลต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูก บ, บังคับเฉพาะคนไทยเราหรือคนประเทศไหนบังคับหมด อาลับมันก็โดนแต่บางทีมันไม่มไมทันเราคนไทยเราเกิง่ง <laughs> ค, คนไทยรับเสียงกว่านะครออาวนี้อาลับบอกว่าอย่าได้ไปโกงทรัพย์สินของใครโดยความโดยการชอบทำในนี้นห้าหมดเลยกินดอกเบี้ยการบันานหรือการใช้เล่กลหลอกคราวนี้แต่อิลาเว้นแต่อันตะกูนาติจารอตัน ในกรณีที่อนุญาตก็คือกรณีที่ค้าขายบนความพึงพอใจของพวกเจ้าสำคัญมากนะหลักการค้าขายเนี่ยมาอยู่ที่อะไรสองคนพอใจดังนั้นบางคนบอกอาจารย์ขายสแพงเชื่อก็เขาพอใจอะ่ะเออบางของบางอย่างเนี่ยมันไม่เป็นมูลค่าในในในสมุิหนังสือฉันเนี่ยเล่มเล่มใหม่ที่ฉันขายเจ็สิบเอาแพงหน่อย บางคนบอกอาจารย์นับกระดาษ ถ, ถ่ายกสานไม่ถึงหรอกบอกใช่ไม่ถึงหรอ ก, อ ก, รอกแต่ไม่คิดถึงค่าเขียนมากเลยคิดในเบียงมันนี่ไม่ให้กันเลยหรอเออยังก็ไปไถ่ากสานเองคือบางคนเราเนี่ยแหมต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีต้นทุนอะไรบ้างอ่าแล้วก็อย่างผ้าสาลบาทก็ขายกันเป็นหลักหมื่นเนี่ยไอที่มันแพงเพราะอะไรเพราะวรุ่นรุ่นตรุนตรกีตะวันเก็บมามันเก่าแค่นั้นแหละเออมันกลายเป็นของวินเทจของสะสมก็แพง เดี๋ยนี้นะไอ้ไอ้นี่ยใครมีนะพี่น้องอย่าทิ้งนะไอ้ตัวโม่โม่แป้งอะ่ะเนี่ยมาขายได้ยังแพงเลยใช่โม่แป้งเนี่ยเป็นของวินเทจอ่าใครมีรงสีไอ้มีเครื่องปั่นข้าวอะไรเงี้ยเอามาขายได้ทุพวกเนี่ยขายได้หมดแต่เกียงเจ้าพายุนเนี่ยใครอย่าไปทิ้งนะเนี่ยยังมีราคาเลยหายยากอะไรที่เป็นของเก่าก็กลายเป็นของมีราคาได้อาจารย์อย่างนี้บาปไปเนี่ยขายของ ขายของแพงแถมยังใช้บางทีใช้ไม่ได้ด้วยซ้ําก็เขพอใจไงทาไม่ขายไม่ได้แนละ้วก็พอใจอ่าอิลาอันตะกูนะติจารตันอันตรอดินมินกุ้มเว้นแต่การค้าขายนั้นเกิดในความพอใจของหมู่พวกเจ้านั้นราคาก็จะตั้งความตามความต้องการอิสลามห้ามประมูลไหมประมูลได้ปะอย่างสมมุติ ฉันมีสรงสับผืนหนึ่งคนอยากได้ประมาณยี่สิบคนาขายคนเดียวก็ราคามันก็ตายตัวเรางี้ใครให้ราคาเยอะฉันให้คนนั้นแหละไม่รู้อ่ะปรากฏเปิดมายี่สิบบาทผ่านไปสองสัปดาห์ขึ้นมาสีา่สิบเออคือของจะประมูลได้ต้องเป็นของที่มีคนอยากได้เยอะอ่าประมูลได้แต่ห้ามการปั่นราคาโดยมีตัวแทนของเราปั่น้ารู้กันบาป อย่างเช่นฉันส่งคนไปเฮ้ยมึงไปปันปป่นหน่อยเว้ยไปปั่นหน่อยแต่ไม่ได้ซื้อจริงในวันนั้นที่ส่งไปอ่ะไม่ซื้อจริงหรอกทุกวันเนี้การประมูลเนี่ยมันมีพวกปั่นอย่างเงี้ยไอ้ดีก็ไม่รู้สู้ไปดิสู้มันเลยที่ไหนไอไม่ได้สู้สู้ไอ้เจ้าของนี่แหละพอมันได้ยักหน้าไม่ไมยกลงไปต้องสู้แล้วได้เลยราคาแพงเลยไอ้เงี้ยบาปเอออย่างเงี้ยมีบาปเห็นไหมแต่ถ้าเกิดด้วยความบริสุทธิ์ใจเลย ต่างคนต่างสู้ราคากันอันนี้ได้อันนี้ไม่บาปใช้ได้เพราะพ อ, พอใจพอดับบีก็เคยเปิดประมูลชายคนหนึ่งนะที่เอาเสือกับอะไรการน้ํามาเมื่อได้ได้ไปสองเหรียญก็กลับไปให้ครอบครัวเหรียญหนึ่งไปซื้อหัว ข, ขวานมาอันนึงแล้วก็ไปทําตัดไม้ตัดฟืนนะดังนั้นการค้าขายขึ้นอยู่ความพอใจแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขอื่นด้วยนะคุณต้องไม่หลอกลวงเขาแนะ่ ผ้านี่ยังเก่าเลยรุ่นสมัยเรือหฮยิงที่ไหนได้มันนามาคุกเมื่อกี้คุกฝุ่นเมื่อกี้อันนี้หลอกเออแต่มันต้องเก่าจริงอ่ะหากฉันพอใจนี่นี่อันนี้รูปแบบหนึ่งนะอิมนนอับบาสบอกว่ามีชายคนหนึ่งมาซื้อขายคนสมัยก่อนก็ซื้อขายอย่างงี้ตามคุณอาเป๊ะเลยเขาบอกอย่างนี้ อ, อชายคนหนึ่งได้ซื้อผ้ามาจากชายคนหนึ่งโดยกล่าวว่าหากฉันพอใจผ้าผืานนี้ฉันก็จะเอามันไป แต่ถ้าไม่พอใจฉันก็จะเอามันคืนพร้อมกับเงินหนึ่งดิษธรรมงงไหมสํานวนงงตังเลยอคือพอใจไหมล่ะถ้าพอใจก็เอาตังไปซื้อถ้าไม่พอใจก็วางเอาไว้แค่นั้นแหละก็ <g ül> <c oughs> คือซื้อนั่นแหละเอออย่างนี้แหละที่กล่าวไว้กับที่อัลลอฮ์กล่าวว่าอียาได้กินทรัพย์สินกราโดยความอายุติธรรมขณว น, นี้ความน่ารักของอิมามมอีกอย่างหนึ่ง อย่างมาขอโทษทีมีมอับูฮานิฟะนะมัสยิดฮานาฟีเนี่ยเป็นมัสยิดที่เข้าใจเรื่องค้าขายเปิดกว้างมากนะเพราะอิมามฮานาฟีอยู่ตลาดคือเป็นปาดด้วยแล้วก็ค้าขายด้วยมีวันหนึ่งมีคนเดือดร้อนเอาผ้าผืนหนึ่งคือผ้าเนี่ยอาจจะเป็นผ้าที่เขาไม่มีความรู้ว่ามันแพงแต่อิมามฮานาฟีเนี่ยท่านเป็นคนเป็นคนรู้เรื่องผ้าว่าผ้าหลังผ้าผืนเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ ไอนี่เขาร้อนเงินน่ะเข้ามาถึงเขาบอกว่าอิมามให้เท่าไร่ถึง็เอาเท่านั้นเลยอิมามบอกไม่ได้ต้องตั้งราคาสิงี้ฉันให้ไปบาทหนึ่งเก ก, ก็ต้องรับสิใช่ไหมก็ต้องตั้งราคาเขาก็เลยตั้งเอาไว้เดี๋ยวสมมติผ้าผืนเนี้พันหนึ่งอ่ะมูลอ่ะพั น, นเขาบอกเอาพันหนึ่งแล้วกันอิมามก็บอกว่าพันหนึ่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะต้องไปหาคนที่มีความรู้มาเขาก็บอกเย็บสองพันแล้วกัน สองพันก็ไม่เอาต้องไปหาคนที่มีความรู้เรื่องผ้า น, นี้มาก็ไปหาคนความรู้มาเขาบอกผ้าเนี่ยมูลค่าห้าพันอิมามใจ่ายให้ห้าพันดูความน่ารักเดี๋ยใจ่ายให้ตามมูลค่าจริงเลยถ้าเป็นของเราก็เสร็จแล้วตั้งแต่พันแรกแล้วลูบ ป, ปากเดือดร้อนใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้คอใช่ไหมเสร็จเลยนี่อิมามพันเฟีความน่ารักท่านคนเดือดร้อนเน่ะเขาต้องการเงินเนี่ยเราไมาไปซ้ําเขาะ่ะ นี่ไปกดเขาใหญ่เลยยิ่งเดือดร้อนยิ่งสบายเลยใช่ไหมมันร้อนเงินด้วยให้มาเท่าไหร่มันก็ต้องเอานี่มุสลิมเราเป็นอย่างงี้จริงๆเนี่ยควรจะให้เขาเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะเขาเดือดร้อนของคนดีแต่เราไปกดราคานี่คือนี่คือความไม่ไม่น่ารักของพ่อค้าบางคนที่ชอบเห็นวิกฤตคนอื่นแล้วเอาเอาเอาเปรียบเลยแล้วเป็นแบบนี้ด้วยเห็นใครเดือดร้อนมากดราคาเลยพ่อค้า สับประรถปลูกแทบตายมันไม่ซื้อบอกถ้าได้ราคานี้ซื้อปล่อยให้หน้าออกไหมล่ะอ่าเนีย้ยตัวอย่างนี่คือการค้าขายในปัจจุบันนั้นจึงไม่แปลกว่านาบีถึงบอกว่าอยู่ในตลาดจะอยู่นานนะให้เสร็จแล้วรีบออกเพราะมอสิยัดมันเยอะเหลือเกินอ่าตลาดของไม่ดีมีมีการของดีก็มีคนซื้อสัตว์ก็มีแต่ส่วนใหญ่แลวมักจะเป็นเล่เหลี่ยมเยอะนะอ่โดยเฉพาะ คนนี้ค้าขายบางคนไม่ไมตรงกับ ล, ลอก็จะหลอกอเล็กบอกต่อว่าววลาตักตูลูอันฟุสะกุมยาได้ฆ่าตัวของตนเจ้าองตรงนี้จะแปลตรงๆก็ห้ามฆ่าตัวตายแต่อีมุมนึงเนี่ยแปลอีกอันนึงก็คืออยาได้ทำอะไรให้เป็นอันตรายกับตัวเองเช่นกรณีอันหนึง่งนะกรณีอันนึงก็คือว่า ท่านอัมอิมูอาสนะครับอัมนนอาสท่านเนี่ยนำกองทัพไปที่สมรภูมิชื่อว่าซาติซาลาซลิซ า, ซ า, ซาซลาซิปรากฏว่าท่านเนี่ยฝันและก็มีอสุจิเคลื่อนออกมาแล้ววันนั้นเป็นวันที่อากาศหนาวจัดมากไม่มีฟืนในการต้มน้ำด้วยแต่าอาบมน้ำละมานี่ไหวหนาวนี่อ้มไหวแต่ถ้าอาบมทั้งตัวนี่ช็อค เพราะเผื่ออาจจะตายได้ท่านก็เลยทำการแตยา ม, มมุมและตัวท่านก็ไปนำละหมาดเป็นอิมามด้วยไปแตยามมุมน้ำมีน้ำมีำมไม่ใช่ไม่มีแต่ที่แตยาม ม, มุมเพราะอากาศมันหนาวจัดถ้าไปอาบน้ำยกฮะดัดเดี๋ยวช็อกฟื้นที่มีก็ไม่มีไม่มีด้วยจุดไฟก็ไม่ได้นะ เส็จและความไปถึงท่านรอซูลสลดล้อหัวไหลหัวสั้ลามบอกว่านี่ท่านไปละหมาด ท, ทั้งที่มีญาณบ้ารอนาบีบอกอาบอัลอาบดูก็บอกใช่จ่ะเอาแล้วทำไมถึงไปอาบไปตะยามมุมละ่ะทาไมไม่อาบน้ํำยกฮะดันเพราะฉันรู้สึกว่ามันหนาวและเกลียดวันเป็นนันตายยกอายะกุรานนี้เลยนี่ยกอันนี้แหละบอกว่าเวลาตั um um ah. กรตูลูอันฟุสะกุมอินนันรอฮากันบีกุมรอฮีมายกในซูระอันิซานี่เลยนบียิ้มแล้วก็หัวเราะทาไมละ่ะ เพราะแสดงว่าอามโนอาสเป็นคนที่เข้าใจศาสนาแล้วเนี่ยเข้าใจศาสนาไม่ทําอะไรให้มันเกิดเป็นอันตรายกับตัวเองอ่าถ้าคนไม่รู้ก็ไปอาบไปอาบเสร็จช็อกไหมครับตายป่วยไม่ได้รบพอดี <c oughs> นี่คือความความเข้าใจในเรื่องศาสนานะคราวนี้สอนอีเรื่องหนึ่งพอดีมันมีเรื่องใบอ่านอันนี้เราเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะต้องเข้าใจกดข้อนี้นะกอริดาข้อนี้ ในคัมีร์ะมีบอกอันบาบอานบินขียดามาลำเยอะแต่รรกอสิทธิ์ในการที่จะซื้อไม่ซื้อเนี่ยสามารถที่จะคืนของได้จนกว่าทั้งสองฝ่ายจะจากกันอย่างสมมตินเนี่ยฉันเนี่ยไปยืนอยู่หน้าร้านผ้าร้านหนึ่งฉันก็หยิบเลยหยิบไอ้แม่ค้าก็บอกช้ำหมดแล้ว <laughs> ตกลงไม่ให้เลือกไหมเนี่ยเลือกได้ดิเราก็หยิบหยิบหยิบใจเลยร้องใหญ่เลยหยิบหยิบยิบยิบยิบยบผ่านไปครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเมียมาตามไป่ซื้อปะมีสิทธิ์ว่าเราไหมไม่ซื้อไม่มีสิทธิ์นะหรือใจตังค์เรียบร้อยแล้วใส่ถุงให้แล้วแต่ยังไม่ได้จา ก, กันนะยืนยืนอยูย่ด้วยกันเนี่ยเ <c oughs> มียบ่นแน่เลยตัวเนี้ยแพงว่หวะหัวหงไม่ซื้อแล้วคืนเงินได้ เขามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการซื้อขายได้ตลอดตราบใดที่ทั้งสองคนยังไม่แยกกันเนี่ยบางคนไม่รู้นะไอใส่ถุงแล้วอว้ยบางทียังไม่ทันใจตังมันใส่ถุงให้เราละพอเรื่องเลืองปุ๊บหยิบใสถุงอะไรวะยังไม่ทันใจตังไอนี่ก็เผลอใจเออไอนี่วันนี้ผมประคับเขาสามารถคืนได้ถ้าสินค้าไม่ผิดประเภทนะ แต่ประกดว่าถ้าเกิดถือกลับไปแนละ้วประกดว่ า, าล้มผิดสีผิดไซส์อันนี้คืนได้อยู่แล้วแต่ถ้าดูอย่างดีเลยทำอย่างดีทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ที่คืนเพราะไม่พอใจอันนี้ไม่ได้เว้นแต่ใส่เงื่อนไขเอาไว้ว่ายินดีคืนเงินภายในเจ็ดวันอะไรเงี้ยมันก็มีแต่โดยปกติถ้าไม่ใส่เงื่อนไขคุณเดินออกจากร้านไปเมียบน่นซื้อมาทาไมเนี่ยสีเนี่ยไม่สวยเลยขอไปเปลี่ยนไม่ได้นะ ร้าน ม, มีสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนให้ได้เพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่ได้เกิดจากตําหนิของสินค้าแต่เกิดจากความไม่พอใจของเราและดังนั้นเวลาที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยก็คือคุณต้องยืนอยู่หน้าร้านอย่างนั้นแหละใหญ่เพิ่งออกจากร้านยืนอยู่ก่อนอยู่ในร้านก่อนถึงยังเปลี่ยนได้นี่คือหลักการค้าขายดังนั้นบ้านเราบางทีเลือกเยอะกับบน่นช้าแล้วเนี่ยไม่อยจะซื้อก็ให้เขาเลือกไปเฮอะไม่เป็นไดหรอกเดี๋ยวเรา ก, ก็พับใหม่นะก็ไม่ผิด หรือต่อให้เขามาคืนแต่เขายังมันอยู่ในร้านอยู่เขาจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรก็ทําไดน้นี่คือหลักการศาสนาในเรื่องของการเลือกบิดขยาร์ตนะขยารแปลว่าการสามารถที่จะเลือกได้เพราะพอใจอะเลือกจนกว่าพอใจแล้วพอใจเมื่อไหร่ก็จบการซื้อขายและเดินออกจากร้านก็คือจบแล้วสบายใจได้อไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเปลี่ยนและถ้าสินค้าตรงตามปกทุกอย่างไม่มีอะไรผิดผิดเงื่อนไขายกันนะอ่ะส่วน <c oughs> เรื่องของการฆ่าชีวิตเนี่ยมีเยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่นะการที่จะไปไปฆ่าคนทำให้เกิด เ, เป็นการเสียชีวิตเนี่ยยกเว้นบางอย่างที่ศาสนาบอกเอาไว้ว่าสามารถที่จะเป็นโทษประหารได้นะครับแล้วก็ในอายะนี้ยังพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองด้วย อย่างบางอย่างที่จะเป็นอันตรายกับร่างกายเนี่ยอิสลามก็ใช้อายากุรานี้ด้วยอย่าได้ฆ่าตัวเองครบว่าฆ่าตัวเองหมายถึงว่าทำให้เกิดเป็นโรคเป็นภัยกับตัวเองเขาเรียกมนเขาเรียกฆ่าผลทรงนะนะบางเรื่องที่มันเป็นโทษต่อร่างกายยาเสพติดต่างๆเนี่ยเข้าข่ายหมดเลยนะครับด้วยประมาณนี้นะครับ11นาิกาละนะสุบฮานะกลอฮุมมาอวบิฮัมดิกัชดุอัลลออิลาฮิลลาอันตะอัสตัฟิลกาวะตูบูไลอัสลามอนอีกุมอรอมาตุลลอัะกาตุคับ